เรินพรท่านสามทุชนพุทธบรรษัต์ผู้ฝ่ธรรมทุกท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาสนทนาธรรมถามตอบคำถามที่เกี่ยวกับการปฏิบัติทางด้านทานสีงและภาวนาใครที่สนใจอยากจะเข้ามาทานคำถานบ้าเชิญเข้ามาได้แต่จะต้องรอชิงไปตามลำดับ วันนี้เราก็จะเริ่มกับพวกเด็กๆ ก, ก่อนล่ะทำอะไรทำแจกที่บมาสการพาจันทร์อเป็นยังไงบ้างสบายดีแล้วสบายดีครับาดีค่ะออันนี้มีการบ้านมาสมงเช่นเดิมใช่ไหมใช่ค่ะค่ะอ่นนมามาเลยเรามีความแก่เป็นธรรมดา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 มีกรรมเป็นผู้หห้ผลมีกรรมเป็นเดารเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นใคนคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไปเราทราั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดร่งางกายของเรามีอะไรบ้าง ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่ในกระดูกน้ําหัวใจตับทั้งพื้ไต่ปอดใจใหญ่ใจน้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองศีรันน้ำน้ำน้าเลือดน้ำรูปน้าเนี่ยน้ำมันน้ำมันข้นน้ำตาลน้ำเหลวน้ําลายน้ำมูกน้ํำแขก้น้ํามูลน้ํำงมูดน้ำแขก้น้ำมูกน้ํา มเหลี่ยมน้ำา้ควนน้ำเ น, ำเ น, ำเนำเเีย ว, ยวน้เล็ดน้าเดือดสะเด็ดน้ดีใช่ในสองสีสั่งอาหารเก่อาหารใหม่ใจน้อยใจใหญ่ปอดปอดไตผังผืดตามหัวใจม้ามยันใ้กระดูกกระดูกเอนเนื้อหนังฟันเด็กขนขนไปดูภาพมันบ้างนการภาพมมันค่ะท่านนึงครับจนเหมือนกันครับ มันอยู่ในร่างกายเราไม่ใช่เราอยู่ประมาณตั้งแต่เกิดมันกลัวมันนะมันจะอยู่ได้ไงถ้ากลัวมันนะครัมีไหมใช่เห็นผลด้วยเลยจะลองเอามือจับที่ท้องอยู่เลยครับมันอยู่ในนั้นมนะัน <c oughs> ไม่อยู่ที่ไหนรอกอยู่กันประมาณตั้งแต่เกิดนั่นไม่กลัวมันได้ไงอันตรายมากเลย มันรถยนต์ไม่เคยเปิดดูเครื่องมั้งไหมนั่งรถที่บ้านนี่ไปให้พอเปิดดูข้างในรถมั้งข้างในรถมีอะไรบ้างเคยเห็นเวลาที่เอารถไปซ่อมหรือ อ, อ, อะไรไหมคระก็หมายมันน่ากลัวตรงไหนนะ เ, เป็นเครื่องจักรครับอ อ, อันนี้ก็เป็นเครื่องจักรเหมือนกันเ อ, อาเออแก้เครื่องจักรอาแก้เลยค่ะ ลองลองไป ด, ดูภาพแบบไม่ใช่แบบสดๆเอาแบบภาพวาดก่อนก็ได้ดูภาพที่ตัวเองวาดครับเ <laughs> ป็นดูในอนาตอมนี่ลองเปิดลองเข้าไปในมือถือแล้วเขียนคําว่าอนาตอมนี่หนึ่งก็ <laughs> <laughs> จะเห็นภาพวาดนะครับไม่น่ากลัวหรอกจะ <laughs> <laughs> ไ, ได้เรียนร <laughs> ู้ว <laughs> ่าเอาไว้วาต่างๆ ม, มีอยู่ตรงไหนบ้าง S <S บ, บอดอยู่ตรไหนหันใจอยู่ตรไหนอารมไสอย่งไหนครั บ, รบแล้วเราอยู่ตรงไหนเราค้นหาดูในร่างกายนี้เราหนึ่ตรงไหนไม่อยู่เลยค่ะไม่อยู่นะร่างกายไม่ใช่เราใช่ไหมถ้าย่า น, น <S <S <S ใช่ครับถ้าเราไปห่วงมันทำไมเราไปห่วงมันทำไมถ้าไม่ใช่เราครับ <S 2> <S 2> <S อา เขายังเอ่ยเนี่ยยังห่วงอะไรเงีมือถือนี่ก็เป็นของเรา้องห่วงอะไรทำไไม่ใหญ่ของเราก็ไม่หวงใช่ไหมเราไม่หวงระวังหวงกับไม่ห่วงอะไรสบายใจกว่านะไม่หวงนะอ่าเนียังจะไปห่วงของที่ไม่ใหญ่ของเราออย่างวันนี้เจ้าของเก็วาของคืนไว้ร่างกายหนังนี้เจ้าของก็ฝากาเราไว้ ให้เราเรียกมันดูแลมันอย่างวันหนึ่งเจ้าของว่าวคนะืแล้วเจ้าขอ ง, ค, อของคือใกันหมธรรมชาติดินน้าลงไฟดินพนยัมาลงมันยมาเอาลมขึ้นไปน้าก็ยาวมึนไปไฟก็ยากมึนไปดินก็ยาวมึนไปแล้วก็หายมึนหมดทั้งร่างนี่คือร่างกาย อ น, นันตามีให้ตัวเราอนนี้จะเป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย น, น้าทุกคนแล้วจะเป็นของใครก็าตามห้ามไม่ได้นะไม่ต้องไปเสียใจเสียใจก็ไม่ได้หยุดมันครับเตรียมตัวเตรียมใจไว้ทําใจเอาไว้ ก็ได้จะได้ไม่เดือดร้อนจะได้ไม่เศ้าโศกสิยใจเพราะเราทำอะไรไม่ได้ใช่ห้า<ช>มไม่ได้พยายาสอนใจอย่างนี้ไว้จะไม่กลัวจะไม่กลัวอะไรที่เกียร่งร <fact. S 1> างกายเราาเราห้ามได้ก็ห้าอันไหนที่เราทำอยงนี้ป้องกันได้ก็ป้องกันไปค่ะค่ ยิ่งฝนตกเราก็ทำารร่วมเสียรอะไรหนาวก็ผ้ามาห่ถ้าไหนที่เราทำได้ก็ทำไปถ้าไหนทำไม่ได้ก็ต้องยอมเหมือนยอมรับความจริงถ้าเราจะไม่ทุกข์นะเข้าใจนะเข้าใจครับโอเคไม่อะไรไหมไม่ไม่มีนะคะ มันมีาย ง, งายบายนะครับขอบคุณอาจารย์ต่อไปเรื่องบ่าวพี่เชิดนะธรรสถารพระอาจารย์ครับขอความเมตตาพระอาจารย์ได้อธิบายการทํางานที่เกี่ยวข้องกันของอริยสัจสี่และใจลักครับอ๋อก็อริยสัจสี่ก็มีทุกขย่างนะ อตายลักก็มีทุกตัวเดียวกันนอะงตัวนี้จินตนาว่าร่างกายเป็นตายรักความจริร่างกายมันเป็นแค่สองอย่างนะมันไม่ใช่ตายรักมันเป็นของไม่เทีย่ยงแล้วไม่ม็นตัวตนความทุกข์มันไม่อยู่ในร่างกายความทุกขมันมาอยู่ในใจอย่างที่ไปอยากให้ร่างกายเป็นของเราอยากให้มันอยู่กับเรา อยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายให้ตอนนี้มันอยู่ที่ใจเราใช่ไมแ้วเราทุกใจกับร่างกายเพราะเราไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันตายเนี่ยนีก็คือทุกมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายเพราะนี่ตายร่างนี่มันมันที่ร่างกายมันมีแค่สองอันแล้วไม่ใช่สามมันมีอนิจจามีอนัตตา ต่ทุกขมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายอทุกข์มันอยู่ที่ใจที่ไปครอบครองร่างกายนี้แล้วไม่ยอมรับอนิอจจังไม่ยอมรับอนัตตายอยากให้มันเป็นอยาอยากได้มันเป็นนิจจ์อัตตาอยากใร่างกายที่เป็นอนิจจ์อยู่ไปเรื่อยๆอนัตตาเป็นของเราวควบคุมได้สัง่งได้ทําอะไรกับมันก็ได้อต่ เราทำเป็นจริมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นทำจริงก็คือมันเป็นอนิจจังอนัตตาเราควบควบคุมบังคับห้ามมันไม่ได้มันจะแก่จะเจ็บจะตายนี่ห้ามมันไม่ได้ถ้าเรารู้ความจริงกันนี้เราก็จะมีมรรคมรรคนี่ข้อที่สี่คือปัญญาสติสติปัญญาสมาธิสติสมาธิปัญญาลึสินสมาธิปัญญ า, าเราปฏิบัตินี้เพื่อมาสร้างมรรค ให้มาถึงจุดที่เราสามารถมองเห็นว่ารน้านกายนี้มันเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราของเราแล้วมีกำลังที่จะหยุดความอยากของเราเองที่ไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บเพราะความอยากไม่แก่ไม่เจ็บมันเป็นตัวสร้างความทุกข์ใจให้กับเราไม่ใช่หน้ากากเราปฏิบัติมากกรเพื่อที่จะมาละตั้นหาความอยาก อยให้รางกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายถ้าเราไม่มีบักถ้ามักเราไม่มีกำลังเราก็จะหยุดไปไม่ได้ถึงไม้ว่าเราจะรู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายไม่เทียมแต่ความอยากมันก็ยังอยากทั้งเกต่บอกญาณโยมวุ่นพรในลาขอให้ยืนเยืยาวนานี่ยิ้มแป้งทุกคนไม่มีใครบอกว่าเป็นไปไม่ได้หรองพ่อมัน น็ความอยากนี่มันอยากอยู่อย่างให้มันอยู่นานๆอยากรับใช้เราเป็นนานๆที่เราหยุดมันไม่ได้เพราะเราขาดเบกขาขาสมาธิเราต้องต้องพยายามฝึกสมาธิให้มากๆการจะฝึกสมาธิก็ต้องอมีศีลเป็นผู้สนับสนุนอย่างน้อยต้องศีลแปดศีลไป เราจะได้ห้ามใจไม่ให้เราไปทำกิจกรรมตามความอยากตา่ตางๆต่างมระบบนิ้นไยเราจะได้เอาเวลามาฝึกสตินั่งสมาธิทําใจให้เน้นให้เกิดพลังคืออุเบกขาที่จะอยู่เฉยๆที่จะอยู่ความอยากได้พอเรามีอุเบกขาแล้วเราเข้าใจหลักอริยสัจแล้วม่าทุกเกิดจากความอยากเวลาทุกข์ก็พิจ า, ารณาว่าเรากำลังอยากอะไร เวลาเราเจ็คไขได้ป่วยไปหาหมอที่เราทุกข์เลยใช่ไหมหตรวจดูจะเป็นอะไรตอนที่ตรวยังไม่ได้ผลที่ก็ไม่สบายแต่แล้วเนี่ยถึงความทุกข์ทุกข์ใจเพราะทุกเกิดจากความอยากให้ผลมันออกมาดีไม่อยากให้ผลออกมาไม่ดีแต่เราเราไปบังคับผลได้หรเปล่าไม่ได้ มันมันจะออกมาไงาก็เป็นก็ต้องเป็นเนาะหมอบอกเป็นมาเลยขั้นที่สองขั้นที่สามก็ต้องเป็นไปตามที่หมอพูดแต่ถ้าเรารู้แล้วว่ามันจะต้องเป็นไม่ขั้นที่หนึ่งก็ขั้นที่สองหรือมันไม่เป็นวันนี้เดี๋ยวอีกเดือนสองเดือนเลยปีสองปีมันก็มาอยู่ดีนะไม่ช้าก็เลยันต้องเจอมันอยู่ดีาอาไรเรื่องนิจของร่างกายเนี่ยแห้ขงขมเจ็บไข้ได้ไป่วยนี้ไม่พ้นหรอกอาจจะ อันนี้เขาอาจจะรอลงอายาก่อนเนอะเนื่อนไปก่อนเดี๋ยววันหนึ่งก็ต้องถึงถึงบทลงโทษจริงๆกนะ่อยกึ้นจริงๆนะ น, นี้คือปัญญาบักนะบักเห็นแล้วมัน ก, ก็จะตอนใจให้ยอมหยุดเย็นยอมรับความจริงหยุดหยุดความอยากอยากไปอยาก ใ, ให้มันไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้ อหยุดแล้วใจเราก็เย็นเย็นก็นิโลดเนียาา่ยอริยสัจข้อที่สามพอเราหยุดความอยากได้นิโรธคือทุกหายไปการหายไปของความทึ้งเราเรียกนิโรธเนื้อดับทุกทุกดับทุกหายไปใจก็เย็นสบายร่างกายก็ยังแก่ยังก็ยังเจ็บยังเป็นอะไรเหมือ น, นเดิมห้ามไม่ได้เปลี่ย น, นไม่ได้แต่แล้วว่าเปลี่ยนใจเราไม่ให้ทุกข์กับมันได้ ตายละกาอริยสัจนั้นเป็นเมืนเป็น เ, น เ, นเนหมืนห่วงกลมๆสองงานคล้องติดกันคนละ้องติดกันด้วยด้วยทุกขังอริยสัจก็มีทุกข์ขังตายละก็มีทุกขังอนาริยสัจก็มีมากม า, มากก็ก็คือปัญญาปัญญาก็คือตายละเองแต่มันเกี่ยวว่ามันตัวเดียวกันก็ได้ถ้าเราวิเคราะห์ดีๆแล้ว พอจะเข้าใจเลยครับอาจารย์เข้าใจมากขึ้นมากเลยครับอาจารย์งั้นทุกไม่ได้อยู่ที่สิ่งต่างๆในโลกนี้แต่มันเป็นที่มันเป็นเป็นตัวที่ทําให้เราไปทุกข์กับมันว่าเราพเราได้เป็นมาแล้วเราอยากให้มันเป็นของเราไปเรื่อยๆแต่โดยธรรมชาติไม่มีอะไรมันจะเป็นของเราไปได้ตลอดมันไม่จากเราไปแล้วก็จากมันไปมันได้วันหนึ่งก็ต้องมีการจาก ทุกข์ก็เลยเกิดจากการมีอะไรถ้าไม่มีก็จะไม่ทุกข์ถ้าไม่มีร่างกายก็ยังไม่ต้องทุกข์กับมันใช่ไหมถ้าไม่มีไม่มีแฟนก็ไม่ต้องทุกข์กับแฟนไม่มีลูกก็ไม่ต้องทุกข์กับลูกใช่ไมีอะไรต้องทุกข์กับมันนั่นแะเพราะเราพอมีแล้วเราไปยึดไปยึดไปอยาดไปยึดไปอยาดยึดให้มันอยู่กับเราอยาดให้มันอยู่กับเราไปนานๆถ้ามีอะไรต้องไม่ยึด ต้องไม่อยาต้องต้องยอมมองตามความเปติว่ามันเป็นของช่วคราวมีโอกาสที่จะจากกันได้เมื่อไหร่ก็ได้ไม่มีเวลา ไ, ไม่มีใครกำหนดเวลาได้อาจจะเกิดวันนี้อาจจะเกิดพรุ่งนี้อาจจะเกิดอีกห้าปีข้างหน้าแต่มันถึงเวลาของมันจะต้องเกิดแน่ๆังนั้ทานจะมีอะไรก็อยากไปยึดอยาบให้มันอยู่กับเราเป็นของเราเป็นตลอา ต้องเข้าใจธรรมชาติของมันว่ามันต้องมันจะต้องมีการดับวิชาต์นเ่นเองต้องมีการเสื่อมนี้คือปัญญาโดยเห็นไต่ละนะเห็นอริยสัจเห็นไต่ละเห็นที่ตก ข, ของเราเพราะเราไม่ยอมรับไต่ละเราไม่ยอมรับความความจริงของธรรมของสิ่ ง, งต่างๆว่ามันเป็นของไม่เที่ยมเป่งของที่เราควบครุ่บังคับให้มันเที่ยมไม่ได้ อันนี้มันยังเข้าใจไหมครับเข้าใจมากขึ้นมากเลยครับครับนี่เป็นนี้เป็นแนวทฤษฎีท่านจะเห็นจริงๆต้องรอเวลามันเกิดพุ่ขึ้นมามนเวลาเกิด ม, มนันปวดเท้าแล้วเดินลงไปใช้กเป็นมะเร็งหรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่าอะนนั้นแะมันจะน่าแมงแล้วว่าทุกข์ลงไม่ทุกข์ถ้าเห็นตายแล้วมันก็จะไม่ทุกข์ถ้าไม่เห็นตายแล ก่อความอยากมันขึ้นมามันก็จะทุกข์ราเอาหาวิธีดับมันได้ง่ายครับกลั บ, บ <Okay. S 2> ขอบคุณครับอาจารย์เข้าใจนะหมอเข้าใจครับเข้า ใ, ใจมากขึ้นอันนีน้หมออยุ่ได้นะ่แล้วปีนี้เจ็ดสิบแล้วครับอาจารย์เจ oh, okay. ็ดส <Okay. S 2> ิบตุลอันนี้ก็ยังทำงานแบบชัว่วคราวอยู่หนระือเปล่าตอนเช้า ครึง่งครึ่งวันครับช่วงช่วงเอาเสียงแช่เที่ยงที่โรงพยาบาล เ, เป็นโรงพยาบาลเอ ก, กชนนะครับอาจารย์ทำมาสามสิบปีแล้วแล้วก็พล้วก็ให้ทําไปเรื่อยเรื่อยเป็นแพทย์ทางไหนก็อะไรทางด้านพวกกระดูกกรสดานศัลยกรรมกระดูกครับอาจารย์ศัลยกรรมอนะไรเวลาเกิดกระดูกพังอะไรอย่างเงี้นะใช่ครับอาจารย์เป็นสัลยกรรมกระดูก เอออเคถ้ายังทาได้แล้วทําไปดีไปเหมือนที่เฉยนอกจากว่าอยากจะไปปฏิบัติธรรมก็อีกหนึ่งครรมนะธรรมอันนี้คุณมาก็อยู่กับอริยสัจตลอดเวลานั่งกายก็คืออริยสัจแก่แก่เจ็บตายเห็นทุกวันที่เรงพยาบาลใช่ไก็อย่าง็ยังก็ยังมีมดวิชาจนกว่า แต่มีโอกาสมาศึกษากับป้าอาจารย์ไม่น่าเ<ก>ข้ามาที่ตัวเราเนยเราเห็นแต่ใครคนอื่นแต่เราไม่ไม่คิดว่าเราจะต้องเป็นเหมือนเขาก็เลยมันก็เลยไม่ไ ม, ไม่ไม่มีประโยชน์เท่าไหร่ไม่เหมือนรุ่นท่านย่าไปเห็นคนแก่ก็ย้อนกลับเข้ามาที่พ่อหลวท่านเห็นคนเจ็บเห็นคนตายท่านเราย้อนจลัมาเราก็ต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกันนเวลาท่านตื่นท่านตกขึ้นมา เทวทูตคุกหมอที่เห็นเทวทูตทุกวันเทวทูตสามไม่เห็นไม่เห็นพระนั่นอาจะเห็นพระไปเป็นคนไข้ไดทีครับขอบพคุณครับอาจารย์อ่าที่รีมนะเวลามันน้อยน้อยลงไปเรื่อยๆแล้วนะแล้วไม่มีปัญหาแล้วถ้าไม่มีปัญหาแล้วก็สบายะถ้าไม่ทูกกับเวลาก็สบายอ่า เราเตรียมเจอข้อสอบจริงๆครับตอนนี้ก็ทำการบ้านอยู่ครับอาจารย์โอเคถือไปที่คนเก่งครับคนเก่งอยครับป่อยไครับเดี๋ได้ตางคาสอนคุณหมอพีเจริรับฟอนได้ประโยชน์มากเลยครับเข้าใจเข้าใจนะเข้าใจใจรักกั อันนาลัยศา์สี่มันก็เป็นเหมือนพี่น้องกันอยู่อยู่ฟ้าแผ่นเชื่อมด้วยด้วยทุกขันมีทุกขันเป็นตัวเชื่อมระหว่างตใจรักกับอาลัยศาสตร์เสียงเสียงไม่กระชั้นเลยเสียงไม่กระชั้นพูดใหม่ครับพอครับอาจารย์ดีไหมครับโอเคโอเคป้ามาใหมับพูดนะครับโอเคได้ยินแล้วครับท่าน พอด so ีอย uh, ู่ยังไม่ถึงบ้านครับอาจารย์เพิ่งไปดูแลหลวงพ่อลงกดมาอมาจะปฏิบัติตามที่ว่าจารสอนเพราะว่าเวลาเจอทุกก็จะไม่ถึงคําำอาจารย์ครับที่อาจารย์บอกว่าอยากเกิดมาเองโทษตัวเราจะไม่ยอมไปโทษตัวเองโทษความอยากอย่างอยากอยางได้รูปสิยนเกินแล้วอยู ก็เลยต้องมามีร่างกายได้ครับาไม่อยากจะมีร่างกายทั้งเรื่องเรื่องในความอยากถือศีลบวชถือศีลบวชซือศีลแปดขึ้นไปไม่เสพนู่เสพเกล็ดล้นเสพสมาธิแทนเสพสติสมาธิแทนเสบปัญญาทแทน่ายไปแลาคุณหนักไมไม่เห็นไม่เห็นนะครับอนานยัไม่ดีไม่เวลนคุณจิ้งทีมาต่อใช่มันทิ้งที่มา อยู่ที่ไหนหนูมาครั้งแราเลยการนวดสการค่ะพระอาจารย์หนูมาครั้งที่สามแล้วค่ะหนูอยู่ดอนเมืองค่ะโอเคทําด้ไม่ได้แต่ขอไปเรื่อยๆเป็นไรค่ ะ, ะหนครั้งที่สามค่ะวันนี้หนูมีคำถามค่ะอะหนูอยากถามว่าระหว่างการปนนิบัติพ่อแม่ค่ะกับการให้เงินท่านหนูควรทําแบบไหนดีกว่าคะหรือว่าควรทําทั้งสองอย่างแล้วแต่ว่าเราจะทำอย่างไรได้นต้อง เราเลี้ยงลูกเราเลี้ยงเราเลี้ยงแบบไหนเหรให้เงินเขาได้คนอื่นเลี้ยงแทนเราไม่ว่าเราเราเลี้ยงตั้งให้เงินเขาเราเลี้ยงด้วยตัวเราเองอมันก็อยู่ที่ความรักของเราใช่ไหมกับลูกเราเนี่เรารักมากกว่ารักพ่อแม่ใช่ไหมค่ะมันก็ขึ้นกับขึ้นกับเรื่องเหตุการณ์ด้วยถ้าเราไม่สามารถที่จะอยู่เัีงทันได้เลี้ยงทันได้ด้วยตัวเราเอง แต่น้อยเราก็ส่งเงินไปให้เจ้างคนหนึ่งให้ช่วยดูแลท่านอะไรทัร้งนั้นเลยค่ะอแต่ถ้าเราถ้าเราอยากจะเลี้ยงท่านเหมือนจะท่าน่เคยเลี้ยงเรามาถ้าเรามีเวลาเนี่ยก็กแล้วแต่ท่านว่าท่า น, าน ย, ยินดีไหมที่ท่านก็อาจจะไม่อยากให้เราเอามาใกล้กนะันได้ค่ะอือคนเดี๋ยวเข้ามาแล้วอาจจะมาทะเลาะกันก็ไดนะ้ถ้าเราใจป้นไปเลี้ยงท่านเราต้องปรับ ตัวเราใหม่ต้องปรับตัวเราเป็นเหมือนคนรับใช้ท่าน อ, อย่างเป็นเจ้าน้าทพ่อแม่ลูกว<อ>ัวคนที่เป็นเหมือนพ่อแม่เจ้าเจ้ากรรมนายเป็นพ่อแม่คอยสั่งให้ทำนู่นทำนี้ค่ะอาจารย์อันนี้ก็ต้องระวังถ้าเราจะไปเลี้ยงพ่อเลี้แม่อยาก<อ>ไปทำให้ท่านลาคาญเราค่ะอาจารย์ต้องเป็นคนรับใช้ท่านจะเอาอะไรก็เอาตอน รับใช้นอกจากเป็นของผิดกฎหมายหรือผิดจริยธรรมแล้ว ท, ที่จะไม่ทําให้ค่ะแต่ถ้าอยา่างอื่นเอาเลยพร อ, อยากจะไปวัดไปเลยอยากนั้น่อยากจะส่วนบนเรื่ออะไรทําไปเลยไป ท, ที่ไหนพาไปไหค่ะอาจารย์ให้ท่านมีความสุขะนะครับใช้เพื่อให้ท่านมีความสุขนะครับค่ะไม่ใช่ไปบีบบังคับให้ท่านกินโยกกินยาออกกําลังกายทา น, นู่นทํานี่ วันนี้ท่านไม่อยากจะทำเลยค่ะเ <c oughs> ออแล้วก็ไปทะเลาะกันใช่ไหมค่ะอ่น้ไม่ดีเรียกแบบนี้ไม่ดีนะค่ะอาจารย์มีอะไรไว้อ่าไม่มีค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะอาจารย์อะไที่คุณชารากาชายนาทมาฟังคำพระอาจารย์ไม่มีคำถามไม่มีคำถาม คุณยังเป็นประกติสุดเลยโอเคินไปที่คุณจุกโเบย์ยังไง๊จอคนที่ไม่ทำงานเลยนะตอนนี้เด็กเราอีกร่างหนึ่งไปญี่ปุ่นค่ะหือเพิ่งกลับมาตอนสองทุ่มค่ะตอนนี้ที่ญี่ปุ่นสี่ทุ่มค่ะค่ะพระอาจารย์คะหนูหนูได้เข้าไปดูหนังสือที่พระอาจารย์โพสอะค่ะ ปีที่ของหลวงตามหาบัวค่ะพระอาจารย์เป็นไงดีไหมดีค่ะพระอาจารย์ปกติที่พระอาจารย์ให้เด็กๆ เ, เขาพวกสิบสองนูนึกภาพน้ํามันคค้นน้ํามันเหลวไม่ออกใน uh huh. ในเขามีเขียนเนะด้วยอะค่ะเขาเขียนไว้ yeah. uh huh. น้ำมันโค่นคืออะไรน้ำมันเหลวคืออะไร uh huh. เห็นแล้วก็อ๋อมันเป็นอย่าง ง, างี้นี uh ่เองน่นะคะก็ดีค่ะพระอาจารย์ คนเราพอตายไปแล้วนี่หน้าตาเหมือนกันทุกคนเลยนะคะบวมหมดเลยม้วนจุกนะปากนะค่ะแล้วมีอีกอันนึงคะ่ะที่หนูเห็นอนะ่ะเป็นรูปที่แบบเป็นล่างคนแล้วก็ให้เป็นโครงกระดูกอันนั้นคือสิ่ง ท, <ำ S 1> ที่าระจะสิ่งที่อาจารย์มองใครพยายามให้มองเห็นโครงกระดูกเขานะให้ให้มองแบบนั้นใช่ไหมคะใช่ตอนนี้เห็นคนในในห้องนี้เห็นแต่โครงกระดูกเขาทั้งหมดเล อเหมือนตายเสฉยอให้ให้มองแบบนั้นแทนใช่ไหมคะต้องฝึกต้องฝึกว่าเราไม่ค่อยมองข้างในเรามองแต่ข้างนอกค่ะเชราะฉะนั้การหน้าตาหล่อเหลาก็ลองดูโค้งกระดูกเขาหล่อเล้องโค้งกระดูกเขาเป็นยังไงบ้างหล่อไหมโค้งกระดกเขาเหมือนกับหน้าเขาไหมใต้คือหนังเขาก็คืออะไรก็คือตลกศีสันนี่มะ น่าสนใจดีค่ะหนูเข้าไปดูแล้วก็โอ้โหภาพเยอะดีค่ะพระอาจารย์ติดตาพระอาจารย์บางทีนั่งรู้สึกว่าโอ้ยมองมองไปที่ท้องเราไสเราอยู่ตรงนี้นี่เองถ้าอยากจะลากการมาลงมันช่วยได้เยอะขอบคุณพระอาจารย์มากมากนะแต่ก็ระวังเดี๋ยวอยู่กับแฟนไม่ได้ <c oughs> เห็นแฟนเกงกรดูกของแฟนก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ต้องวงต้องเบรกมันนะถ้ายังไม่ถึงเวลาถ้ายังไม่เป็นบทชี้อย่าเพิ่งไปเห็นโกงกรดูกของสามีตาอเห็นก็ได้เห็นแต่ก็ต้องรู้จักรู้จัดการรัเลยสา่ะพระอาจารย์หนจะไปยกไปฝึกค่ะพระอาจารย์หนูเข้าใจ ค่ที่ที่พระอาจารย์บอกว่าการที่เราไปปฏิบัติธรรมกับการอยู่บ้านมันมันมันต่างกันก็คือถ้าสมมุติเราได้ไปปฏิบัติธรรมจริงๆนะัมันเหมือนเป็นทางวัดหนูเข้าใจแล้วค่ะเพราะพอหนูกลับมาเนี่ยค่ะพระอาจารย์หนูพยายามมีสติตลอดเวลาเหมือนที่พระอาจารย์สอนนะคะแต่ ม, ม, มันก็ไม่เท่าตอนที่ไปปฏิบัติธรรมตลอดทั้งวันตลอดทั้งเวลาที่วัดอย่างนั้นน่ะค่ะพระอาจารย์อ๋อเหมือนโรงพยาบาลกับบ้านน่ะรักษาตัวที่ไหนจะจะดีกว่าใช่ไหม เวลาไม่สบายเราไปยุบรักษาโรงพยาบาลเพราะเครื่องมือครบใช่ทั้งหมอทั้งพยาบาลก็เลยไปวัดก็ไปมาโรงพยาบาลถจิตใจใจเราก็ทุกข์ใจเราก็ไม่สบายเราก็เลยไปไปรักษาที่วัดหรือก็รักษาที่บ้านที่บ้านเครื่องมือไม่พร้อมโยธาโนธาน น, านท่ที่โรงพยาบาลต้องการอะไรมีหมดเลย เดีแล้วละได้ไปผมจะได้รู้ความแตกต่างกันคบางคนไปกับผมแล้วบอกว่าอยู่ที่ไหนกับผมได้ที่บ้านกับผมได้เขาไม่ไม่ไปลองที่ที่ที่วัดที่เป็นวัดปฏิบัติจริงๆนะเพราเป็นวัดที่ปฏิบัติจริงๆไม่ใช่เป็นวัดที่ไปแล้วก็ไปมส่นสุมไปไปแกะกลุ่มกันทํากิจกรรมอะไรแบบนี้ไม่ใช่วัดปฏิบัติปฏิบัติต้องให้ไป พี่เวย่ยไปพี่เวยเ่ยวอยูนน่คนเดียวใช่ไหมไม่ได้ทาไม่ได้ก็ใช้จับกลุ่มไว้ก่อนว่ามีมีอาจารย์ให้มีตารางให้เราทําตอนนี้เรายังตอนที่เราไปนี่ยังไม่ได้ไปอยู่คนเดียวใช่ไหมไปไปเปิดแบบอ๋ออยู่ค<ข>นเด<ข>ียว<น>มีอยู่คนเดียวใช่อยู่คนเดียวถึงจะมีคนเยอะแต่เขาก็ห้ามพูดกันนะคะพระอาจารย์จะมีป้ายติดปกนี้ค่ะว่างดพูดอะไรนะคะพระอาจารย์ ต อ, อนเรียนการปฏ <คน S 1> ิบัติเรียนการยั ง, ง, งนั่งสมาธิถามพระอาจารย์รู้สึกดีมากเลยค่ะได้ได้ไปทําอย่างนั้นแล้วมันเกิดอุเบกขาใจเย็นดีมากเลยค่ะอาจารย์ตอนนี้หนูก็พยายามปฏิบัติอยู่เพราะไม่อยากให้มันหายไปค่ะพระอาจารย์ไปทาเท่าที่เราทำได้คนะ่ะอย่าอย่าที่มันทําเท่าที่เราทำได้พระอาจารย์ค่ะหนูมีคําถามคำถามนึ่งค่ะพระอาจารย์ ปกติพระอาจารย์จะมักพูดเสมอเลยว่าเวลาที่เราฟังทำเทศนาเนี่ยเราไม่ควรนั่งสมาธิเพราะอะไรคะพระอาจารย์ไม่นั่งสมาธิได้แต่นั่งสมาธิเพื่อใช้ใช้ธรรมะเป็นอารมณ์แทนที่จะใช้พุดโธหรือใช้ลงหายใจพราะมันจะชนกันเนี่ยเราต้องเอาอารมณ์เดียวถ้าเราจะฟังธรรมเรก็ใช้เสียงธรรมเป็นอารมณ์อย่าไปใช้พุดโธอย่าไปใช้หมหายใจ ถ้านั่นเองถ้าใช้พุโทโธ ด, ด, ด้วยฟังธรรมด้วยเดี๋ยมุเตะกันนะอาจาอ๋อครับขอให้จังถ้านั่นแหละมาถึงถ้าแต่ถ้าเราอยากจะนั่งสบายที่ไม่อยากจะไม่อยากจะฟังธรรมเราก็อย่าไปอย่าไปเปิดธรรมรับธรรนแต่บางคนที่เขานั่งเขาฟังธรรมเพราะว่าเวลาเขานั่งแล้วพุโทโธของเขานี่ก็าไม่มีแรงที่จะพุโทโธนั่งพุทโธไปได้ไม่กี่นาทีก็ห ย, ยุดพุดโทโธพอหยุดพุดโทโธใจก็เริ่มเลยนั่งต่อไม่ได้ แต่ถ้าว่านั่งฟังธรรมนี่เขาไม่ต้องพูดถูกก็ยัแจ่นั่งฟังเสียงไปฟังไปคิดตามไปมันก็เพลินมันก็นั่งได้เป็นตลอดเวลาที่แสดงธรรมชั่วโมงหนึง่งเหมือนก็ว่าเลยชอบมาฟังธรรมฟังไปว่านั่งสมาธิเองนั่งชั่วโมงนั่งไม่ได้ mm. แต่ถ้านั่งฟังธรรมนี่นั่งได้ okay. ทราบเจ้าค่ะสำหรับคนที่เริ่มต้นนะแต่สําหรับคนที่เขานั่งสมาได้เองไนดะ้แล้วก็ไม่จมําเป็นจะต้องใช้การฝักธรรก็ได้อแต่การฝังทําก็มีประโยชน์ที่เราได้ปัญญาด้วยได้ความรูม้ก็อยู่ที่ว่าเราต้องการอะไรถ้าเราต้องการความรู้เราก็ต้องฝังธรรมอย่างนี้เราเข้ามาที่ห้องนี้ก็เป็นฝังธรรเหมือน ก, กันอันนี้สรรมดาธรรม การทำธรรมก็ดีการฟังธรรมก็ดีเป็นมงคลอย่างยิ่งจะบอกมันจะได้ยินได้ฟังคาที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนคาที่เราเคยได้ยินได้ฟังแล้วพอได้ฟังซ้ําอีกก็เกิดอวามเข้าใจดีขึ้นนทําให้เราหายสงสัยในเรื่องราว ต, ต่างๆทำให้เรามีความเห็นที่ถูกต้องมีปัญญาสมาธิขีดแล้วก็ทําให้เรา การจิตใจเราสมบผองผใสมีรูเบี้ยคา <สๆ S 1> อันนี้คือประโยชน์ของการทำธรรมขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์ อ, อันนี้มีคาถานเท่า น, นี้ละค่ะขุณเอาทิ้งค่ะพระอาจารย์หนูจะพยายามปฏิบัติค่ะอ่าพยายามสู้ไม่ถอยนะลมมันเอาโดยก่าจะหมดลมหายใจเลยมีเวลา เ, เดีือนน้อยไปเรื่อยๆไม่มีใครรู้จะตายเมื่อไหร่มันจาเป็นแล้วจะต้องตายแปดสิบเ้าสิบเสมอไปดีใจที่ได้มารู้จักพระอาจารย์ได้ได้มาเข้ามาฟังธรรมค่ะพระอาจารย์ขอบพระคุณมากมากนะคะสาธุสาธุไปทีออ่อาจารย์เมื่อเมื่อไรก็ทำบุญอะไรค็รดน้โขลกเกิดเรียเกิดงานวัฒการกัน ออกกําลังกายอยู่ค่ะวันนี้นอนวันนี้รอกรรมวัตการพระอาจารครับอ่าสบายดีนะสบายดีครับแล้วก็พุทโธไปยกน้ำหนักน้าหนักไปอ่าดีครับดูเพื่อจําเป็นต่อไปจะได้ใช้พุทโธช่วยได้ใจมันเคียดมันพุ้งมันลองใช้พุทโธดูอะคงไม่ค่อยมีอะไรเครียดค่ะ ชีวิตเรียบง่ายสบายสบายคนทำวันดีสบายอยู่แล้วทุกอย่างยังไงก็ได้ไม่เป็นยงขาอยู่แล้วใช่อยู่ด้วยแล้วสบายใจค่ะอ่ดีโชคดีได้เจอคนอย่างนี้ะเจมีตรงกันค่ะก็เลยดีค่ะวันนี้ไม่มีอะไรค่ะกับนวมศักดิอาจารย์นะสาธุนวมศักดิ์อาารย์ครับสบายนะสบายดีครับ อาจารย์สุขภาพแข็งแรงนะคะอาจารย์นะผมเห็นตะวันอยู่ข้างล่างนะครับตะวันตะวันอนแรงนะครับตะวันเข้ามาต่อเนืงครับตะวันไม่เด็ดสวหน่อยตอนแรกหน้าจของอาจารย์ก็เลยเข้าไปแล้วกลับเข้ามาใหม่่ต้องรีสตาร์ทคิวตะวันตะวันไปยังครับมีอะไรพวกมีอะไรไหมจะมาสันบ้าน่ แต่ ว, วันนี้แค่มีหนึ่งคาถามครับหนึ่งคำถามหมาว่ามาไ เ, เออทำไ ม, มเรามีารกสวรรค์แล้วนิพพานครับนิพพานคือมันมันเป็ น, ม, น, ปนมันเป็นใจของเราที่มันมีความสุขมันมีความทุกท่านาใจเราสุขเราก็เป็นสวรรค์เป็นนิพพานท่าใจเราทุกข์มันก็เป็นนรกขึ้นมา อันไม่มันไม่ใช่สถานที่ฮอลแลนด์เรือังกฤษหรือประเทศไทยอะมันอยู่ในใจของเราเนี่แหละมันได้ที่เราทุกคนนั้นใจเราก็ยืนเป็นนรกขึ้นมามันได้เรามีความสุขวคนนั้นใจเราก็เป็นสวรรค์ขึ้นมาสวรรค์ก็มีหลายหลายชั้นด้วยกันชั้นสูงสุดก็เป็นนิพพานมีความสุขเต็มร้อยตลอดเวลาเะย นนี่ค <ś cticamente> ือใจของเราเหมืนเหมืนห้องของเราเนี่ยบางทีเราก็เปิดแอร์ใช่ไหมถ้ามันร้อนเราก็เปิดแอร์ให้มันเย็นใช่ไหมถ้ามันหนาวเราก็เปิดฮีเตอร์ให้มันร้อนใช่ไหมใจของเราก็แบบเดียวกันเวลาเราทำบุญใจเราก็เหมือนติดแอร์มันก็เย็นเวลาเราทําบาปใจเราก็เหมือนเปิดฮีเตอร์มันก็ร้อนนี่คือใจของเรา เวลามันน้อนก็ไรประมาณนั้นแลเวลามันเย็เ น, นยังเ่วาสนาอช้องรอน น, อนนั้นเราเคยเข้าไปนั่งในห้องศาน้าหรือไงเคยเข้าไปนั่งห้องซาหน้าไหมโยรัในมีเปล่ามีไหนอนไหมนะใ่หมใจของเราก็แบบนั้น เ, นเวลาใจเรา ทุกใจเราเศร้าโศกเสียใจการโกรธเวลาคุณแมท่ทำอะไรไม่พอให้เราไม่พอใจพูดอะไรไม่พอใจแล้วก็โกรธขึ้นใจเราก็เริ่มจะเป็นปนรกเวลาทำความดีทำตามที่แม่พูดเราก็มีความสุขเ้วก็เป็นสวรรค์ขึ้นไปใจ น, ในี้ นี่คือนรกสวรรค์ น, นรกได้ออกสวรรค์อยู่ในใจเนี่ยับภาษาไทยเขาพูดไรอยู่อยู่ในใจเราอยู่ในตัวเราไม่ได้อยู่ที่ไห น, นเวลาเล่นเกมเป็นนรกหรือสวรรค์พี่นรกเวลาเล่นเกมเป็นนรกหรือสวรรค์เนี่ยนรกเป็นป น, นรกใช่ไหมเขามันเกมใช่ไหมใช่เหรอแต่ก็ยังแตก็ยอยากเล่นอยู่ใช่ไหม แล้วตอนนี้ไม่เล่นแล้วครับไม่เล่นแล้วเรีย ก, ยกน้องนั่งสมาธิดีกว่าถ้าจะเล่นเกม น, นั่งสมาธิงานอดีกว่านั่งสวมดมนต์ก็ได้นั่งสวดอาการสามเดียบสองไปเรื่อยๆ ก, ก็นด้เวลาที่ที่โยมสอนเขานะคะพระอาจารย์โยมก็น้อมนาคําสอนในเรื่องการเปรียบเทียบให้เห็นง่ายๆแบบนี้คําสอนเขาก็จะได้เข้าใจมากขึ้นใช่การสอนมันอยู่ที่อยู่ที่ทเทคนิคของการ เอาตัวเอาตัวอย่างมาให้เขาเห็นเหมือนเราอุตตยานะท่านสอนคนแต่ระดับนี้ท่านจะมีตัวอย่างของคนในระดับนั้นสอนชาวนาชาวไร่ท่านก็เรื่องมีชาวนาชาวไร่มาเปรียบเทียบให้ฟังสอนพวกทานเรื่องกระท่านก็เอาเรื่องของทานเครื่องอาวุธใดต่างมาเปรียบเทียบให้ฟันเขาเพราะเขาอยู่กับของเหล่านี้พอเรามาเปรียบเทียบเขาฟังเขาก็เข้าใจว่าเรื่องของธรรมะมันเป็นคอนเซ็ปต์มันเป็นเรื่องนามาทํา ที่จะต้องอาศัยรูปธรรมเหมือนกับเขียนมากกระตูนให้เด็กดูนะพอเด็กเห็นภาพก็เข้าใจง่ายขึ้นถ้าเราพูดหพูดยังไงก็ไม่เข้าใจก็เลยต้องวาดภาพให้เขาเข้าใจให้เขาเห็นเข้าใจแล้วอย่างตะวัน งั S <S ้นอย่าสร้างนะวลกนะโลกสวรรค์ไม่ใช่ใครสร้างตัวเราเป็นคนสร้างเอนขึ้นมาเวลาเราโกรธเนี่ยเราก็สร้างโลกขึ้นมาเวลาเราอยากได้อะไรไม่ไม่ได้เราก็รากสร้างโลกขึ้นมาเวลาเราเสียใจร่ำโหยร่ำไห้เราก็สร้างโลกขึ้นมานต้องหยุดมัน อย่าลองไห้อย่าเสียใจยิ้มให้ได้ยิ้มไวสไมล์เคยได้ยินเพลงสมามล์ไมสมลยก่อนนาะนนะต้องป่อยให้ลูกฟังเลยอันนี้ก็ แม่ก็ได้ยินนะแบบเพลงเก่าว่า46ปี46ปีต้องเิด็จเข้ามัสมาห์แล้วนะเจย์คุณมาโก้น่าจะทราบไหมคะน่าจะทราบเลยไม่รู้เหมือนกันะนะเพราะนหลังไม่พระชายโยมขออนุญาตถามสักเคหนึ่งคำถามได้ไหมครับไ ด, ได้คือโยมไม่แน่ใจว่าเวลาปฏิบัติแล้วเนี่ย มันไม่ค่อยอยากจะคิดเรื่องอะไรต่างๆนะคะอย่างเช่นว่าของในตู้เย็นมันหมดใช่ไหมคะพรอาจารย์ mm hmm. แล้วจะต้องเขียนลิตรรายการจะออกไปซื้อของแบบนี้ยเวลาเปิดตู้เย็นปุ๊บเห็นของมันอันไหนที่มันจะต้องซื้อต้องลิตรรายการมันไม่อยากจะคิดนะคะพรอาจารย์มันอยากจะเดินออกจากบ้านไปแล้วก็ไปซูเปอร์มาร์เก็ตเห็นอะไรก็ซื้อติดปลายติดมือกลับมาแบบนี้ค่ะคือมันไม่อยากจะแพลนไม่อยากจะต้องวางแผนแบบนี้ค่ะพรอาจารย์อันนี้มันคือเอ่อเราอยากรักษาความสงบหรือมันเป็นความขี้เกียจของโยกเองนะครับ มันเป็นความขี้เกียจมากกวบาืึ่งส่วนหนึ่งงานจะเกิดจากความสงบเวลาใจสงบมันก็ไม่อยากจะคิดอะไรนี่แหถึงเวลาเวลาที่มันสงบแล้วเราต้องการปัญญ า, าต้องเราต้องบังคับอะไรอเ้ป็นบังคับไว้พิจารณาการสางสิ่สองเนี่ยเหมอผมฝนและปันน้นดังเนื้อเอ็นกันอู่มันจะไม่ไปบางนคนที่ปฏิบัติแล้วก็มาติดที่สมาธิเขาเลยติดสมาธิพาติดสงบเลยครับสงบแล้วก็ไม่อยากจะคิด มันไม่เสียหายอะไรแต่มันไม่มันไม่มไมก้านะมันจะไปขั้นปัญญาไม่ได้อ่าจะไปขั้นปัญญามันต้องคิดเลยคิดศึกษาเรื่องราวต่างๆเช่นร่างกายของเรามีอาการอะไรบ้างเนี่ยราต้องคิดเลยเที่ยงไม่เทีย่ยมอะไรนี่หรือเราต้องรู้จักเวลาควบคุมจิตเวลาที่ต้องการให้มันคิดกั็ต้องคิดคนจะคิดกั็ต้องคิดเวลาที่ไม่ควรจะคิดใช้มันเอง อันนี้ถือว่าเป็นอารมณ์อารมณ์อาร ม, ารมไม่อยากขี้เกียจอะไรขึ้นนะครับค่ะก<อ>็ได้ถ้าอยากจะทำอารมนั้นก็ลองดูของมันขาดแล้วก็อย่าอ ย, าอาย่าท้อถอยกัแล้วกันก็ทออความที่แก่แล้วกคืออยากจะเดินดุมๆออกไปซื้อเลยเห็นอะไรก็ซื้อมาแบบเนี้นชนใช่ไหมใแล้วมันมันจะต้องไปบ่อยเลยอซื้อครั้นี้อ่านเรืมสิ่งนั้นเดี๋ยวก็ต้องออกไปใหม่ แต่มันก็มีเพราะอ้างครับอาจารย์ไม่เป็นไรหรอกมันอยู่ไกลคดีเองอย่างี้ก็กิเลสไม่อยากย่อมันแค่อยากเนี่ยมันไม่มันต้องมีเหตุผลการกระทำอย่าทําตามอารมณ์อย่างนี้กาเป็นอารมณ์นะมันมันจะเป็นกิเลสเมื่อเราจะทํำอะไรเราก็ต้องวางแผนทําให้มันดีที่สุดใช่ไหมทําให้มันประหยัดที่สุดเสียเวลาน้อยที่สุด ว่ยังอยู่ยังอยู่กับทางโลกจะต้องทํากับข่ายังต้องทําเรื่องนี้ใช่ก็เราทำหน้าที่ของเราสมบูรณ์ทำด้วยสติด้วยปัญญาดี่แหละไม่ชอบก็ต้องทําเอไม่ได้ทําด้วยอารมณ์เข้าใจนะมีอะไรไหมตะวันอแฟนไม่เข้ามาเลยวันนี้ออกเข้าจะไม่ได้กลับบ้านนะ เขาพยายามจะจะจะมาวันอังคารนะค่ะเพราะว่าอาจารย์อาจารย์พระอาจารย์บอกว่วันอังคารแต่คือันวันพุธเนี่ยเขาจะจะแว็ปออกมาได้แต่วันอังคารนี่เหมือนเขาจะจะจะยากหมดยุ่งค่ะไม่เป็นไรนะถ้นแต่ว่าถ้ามามามาที่นี่แล้วพูดประสาอกฤษคนอื่นเขาฟังไม่รู้เรื่องเลยค่ะเพราะจริงๆคือโยก็จะถามแทนเขาได้แต่ว่าให้เขามาถามเองกว่าด้ตัวเขเองนอาจารย์เขาพูดไทยไม่ได้่ะเขาพูดไทยพูดไทยไม่ได้ แค่นี้งั้นโยมถามลงได้ไหมคะหรือว่าจะให้เขามาถามเองถ้าเกิดเขาวันไหนที่เขามีเวลาถ้าเป็นภาษาไทยก็ต้องต้องพูดถ้าท่องห้องภาษาไทยก็ต้องพูดภาษาไทยถ้าภาษาอังกฤษก็เป็นห้องภาษาอังกฤษหึือเราไปเรีนวิชาภาษาอังกฤษแล้วไปพู่ภาษาไทยก็ไม่ได้เรื่องนะคงั้นโยมถามได้ไหมคะพระอาจารย์แล้วเดี๋ยวโยมแปลเขาอีกทีได้ได้ถ้าอยากจะถามคือเมื่อเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะพระอาจารย์เขาเขาเขานั่งทำสมาธิใช่ไหมคะแล้วเขาใช้เอ ลมหายใจควบกับพุทธโทนะคะถ้า mm hmm. พักไม่นานก็คือลมหายใจคือเขาเขาหายลมหายใจหายรู้สึกลมหายใจหายแล้วเขาก็าก็เหมือนเหมือนเขาเห็นตัวเขาอะค่ะอาจารยพระจารย์จากด้านบนเห็นตัวเขานั่งอยู่ทำสมาธิอยู่แบบเนี้ค่ะเห็นชัดจากด้านบนนะคะ mm hmm. แล้วก็เหมือนเขาก็กลับเข้ามาปุ๊บแล้วก็รู้สึกตัวพอรู้สึกตัวปุ๊บเขาเกิดปีติ นับตาไหลแบบแบบแบบอย่างมากเลยนะคะพระอาจารย์เขาก็เลยเลยสงสัยว่าพระอาจารย์มีอะไรจะแนะนําเขาไ้มคะหลังจากที่ที่ตรงนี้ไม่เขียคือเขายังไปไม่ถึงจุดที่สงบกันที่นะ่ก็หยุดตรงนั้นมันก็จะยมันเยอะเขาก็จะได้แค่ตรงนั้นครับเขาต้องการให้ใจสงบเน่งว่างเขาควรจะพุดโธต่อไปได้าไม่มีลมหายใจก็เรายังพูดโธได้เราก็พุดโธต่อไป อย่าเพิ่งอยู่อย่าไปสนใจกับอาการที่เกิดขึ้นในขณะที่เรากำลังพุโทโธอยู่จะมีเห็นตัวเห็นอะไรก็อยากตามไปให้กันเรื่องกลับมาอยู่ที่พุโทโธพุโทโธต่อไปอมื่อเรานั่งรถไปจะ ก, กลับบ้านเนี่ยไปถเครื่งทางเห็นเขาเบรคของขายข้างทางเราก็เลยลงจากรถไปซื้อของก็เลยไม่ได้ไปต่อว่าไปไม่ถึงบ้านายังต้องนั่งอยู่ในรถ ไม่ว่าจะเห็นอะไรข้างทางก็อย่าลงกับรถขับรถต่อไปให้หนึ่งถึงบ้านต้องพูดโทต่อไปเป็นความจะจิตจะนิ่งสงบแล้วก็พูดโธรก็หยุดไปเองโยมถามค่ะว่าตอนที่เห็นตัวนั่งอยู่เนี่ยเขามีความคิดอะไรที่มั้หรือเปล่าเขาบอกว่ามันมันเขาบอกเขาคิดไม่ได้เขาไม่ได่พูดโธต่อมาค่ะพระอาจารย์แค่เห็นอย่างเดียวเพราะว่านนั้เห็นมันก็มันก็เมืนกัมืนเหมืกับคิดตลอดมัน เห็นมอคคือเราไม่ต้องการเห็นอะไรนะต้องการให้จิตมันว่างมันสงบถ้ามันยังเห็นก็แสดงว่าเป็นสิ่งที่จิตฟุ้ขึ้นมานั่นแหละสิ่งที่เราเห็นมันก็เป็นสิ่งที่จิตฟุ้ขึ้นมาค่ะแต่เราไม่รู้ไงเราไม่รู้ว่ามาจากไหนมันจะมันก็มาจากความคิดฟุูงแตกของจิตนั่นแหละ ยมเข้าใจว่าเขาอย่างนี้คือเขายังโยมเข้าใจว่าเขาได้อัปปนาแต่ว่าอย่างนี้คือจากที่ฟังเข้าใจคืออัปปนามันต้องไม่มีอะไรต้องว่าจิตต้องว่างเย็นสบายมีความสุขกับความว่าจางพอเขาบอกว่าลมหายใจหายเพราะว่าโยมไม่เคยทําถึงถึงชั้นนั้นนะคะอย่างมากก็แค่แบบมันสบายแต่ว่าถ้าลมหายใจหายคือโยมยังไม่ถึงแต่ว่าเขาบอกว่าลมหายใจคือเขาหายไปอไม่สำคัญจะหายไม่หาย ถ้ามันต้องทุกอย่างหายหมดทั้งภาพทั้งอะไร อ, อ, อ, อะไรนี่แสดงต้องไม่มีอายตนะเกิดขึ้นเลยใช่ไหมคะไม่มีไม่มีปรากฏภาพหือเสียงอะไรต่างๆในใจว่างเหมือ น, นอยู่แนอวอาขาศอย่างนี้ค่ะต้องอพุโทโธต่อไปใช่ไหมคะใช่พุโทโธต่อไปมันก็หยุดตร ง, งนี้น <c oughs> ค่ะแล้วก็เห็นเขาบอกว่าตอนเนี้ยเขาก็ไปหาอคําศัพท์ที่เป็นภาษาอังกฤษที่เป็นผมผนไปผมขน็นฝ้าหนังคะะอาจารย์เขากำลังมาท่องอยู่ด้วยดีอช่วยกันทักทายคนช่วยกันปฏิบัติกันไปไม่รู้ใครจะออกหบดก่อนนะคะพระอาจารย์แล้วแต่ใครไปก่อนก็อนุโมทนาไปก็แล้วกันค่ะ ขอบพาจาขอบพระคุณมากค่ะโอเคนะบท okay นะุกนะไปที่บุญสบัตราที่เท็กซัสกลับน้ำมาสการพระอาจารย์เจ้าค่ะรู้ไม่มีคำถามเจ้าค่ะขอร่วมฟังธรรมโอเคไปที่กุญชิพวันที่พวันออยดาโห ยอมฟังปารกบํามของพระอาจารย์ธรรมบบนเขาค่ะนิวัน์ห้าค่ะถ้าพระอาจารย์เมฟาก็บอกสังเกตอีกทีได้ก็ฟังฟังแล้วก็กพอแล้วเดี๋ยวให้เรามาเล่าไให้ฟังก<ด>็ฟังแล้วก็ฟังให้มันเข้าใจแล้วก็คุดอย่างนั้นแล้วอ่ะนะ คำถามที่เกี่ยวกับการปฏิบัติของเรานดีปะ่ะให้เรามานั่งพูดในธรรมะที่คุณสามารถที่จะศึกษาได้ด้วยตนเองมันก็ัก็เสียเวลาเรา่ะ่ะเข้าใจค่ะโยมก็ยังพร้อมเหมือนเดิมนะคะจะถามอะไรมันก็เข้าหาตัวเองนะคะด้วยวปฏิบัติอะไรมีปัญหาอะไรถาม ง, างั้นดีป่ะมาว่าช่วยช่วยพูดเรื่องมรรคแปดให้ฟังหม่อย มันเป็นของที่เราสามารถหาศึกษาของเอ้อยเองได้ถ้าไม่เข้าไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามได้แต่จะอยู่ดีๆจะให้เราป้อนให้ทั้งทั้งดุ้นี้เราไม่เอาหรอกต้อ <01. S 1> พึ่งตัวเองมากอศึกษาค้นค้านี่เป็นวิธีการสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นกับตัวเองอา <01. S 1> จารย์นะคโอเคไม่มีอะไรยังไม่มีอะไรจะถามนะ ถามไปนก็เข้าตนเองค่ ะ, ะทุกอย่างก็งต้องกอย่าต้องการจะให้มันเข้าที่ตัวเราเนี่ยเพราะตัวเรามันเป็นปัญหาใช่ค่ะยอมรับค่ะอโอเคถ้ายังไม่มีอะไรก็ไปที่คุณยินดีที่แคนซั America, สในอเมริกา3คนติดกันเลยนะ Texas Idaho Kansas เป็นยังไง <c oughs> ตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้างาหนาวแล้วร้อน เอเริ่มร้อนเร่ร้อนช่วงเช้าอากาศโอเคอยู่ค่ะก็คือประมาณสิบแปดแล้วพอช่วงบ่ายก็สามสิบสองสามสิบกว่าร้อนเหมือนกันค่ะค่ะท่าอาจารย์ก็ไม่มีคำถามอะไรค่ะคือได้รับข้อมูลจากตะวันแม่แม่ของเด็กตะวันนะคะก็ ลูกก็ยังสงสัยเรื่องไอ้คาว่าปล่อยปาดละเลยกับปล่อยวางเนี่ยค่ะก็<ม>ก็ก็ได้ข้อมูลแล้วคะ่ะอาจารย์เข้าใจแล้วค่ะมีหน้าที่มีภาระผิดชอบปล่อยไม่ได้ต้องทำหน้าที่เองมั้ง<ม><ม>บางทีก็เนี่ยคะ่ะก็เคยเป็นเหมือนเขาอะค่ะที่ว่าในลักษณะที่ว่าบางทีพอเรานั่นแล้วเราก็เหมือนแบบระวงังวางวางแล้วก็มีความความรู้สึกคือไม่ไ ม, ไม่ไม่อยากทําอะไรตอนที่<ม>อยู่ไปที่ไปเมืองไทยอ่ะค่ะก็เลยเข้าใจว่า เข้าใจแล้วค่ะท่านอาจารย์ที่ที่านอาจารย์บอกว่าบางครั้งเวลาเราอยู่ในความสงบมากๆเข้าแล้วเราเรามีความรู้สึกเหมือนคนขี้เกียจเหมือนอะไรก็เข้าใจแล้วค่ะ <ๆ S 2> เรื่องปล่อยปัดแล้วเลยกับปล่อยวางก็อยากจะถามท่านอาจารย์ห น, น, น, ะะนึ่งกัน<อ>่ะค<ๆ>่ะี่ขอบพระคุณมากค่ะท่านอาจารย์<ๆ>แล้วก็เดวิดฝากความคิดถึงแล้วก็บอนช็ๆๆอตเหมือนเดิมคะ่ะท่านอาจารย์ฝากขอบคุณไปด้วยนะะ ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะถ้าชาญที่เมตตาค่ะแล้วก็ชาญทุกคนค่ะท่านอาจารย์ขอบพระคุณค่ะอี่เป็นหมอภาสนา่ทำมาที่กรทมนะมาเมืองไทยนะสมัยที่เดินาได้รวดเร็วจากละเมากลับมาเมืงไทยได้แค่วันไม่ถึงวินาทีหนึ่งก็ถึงมาค่ะอาจารย์จิตไปเร็วนะจิตไปเร็วนั่นเองจิตเพียงในยื่ดแขนออกไปก็ถึงมา ค่ะค่ะพระอาจารย์ครับขอบคุณพระอาจารย์มากเลยค่ะไปวัดไปวัดป่าคุท้าชานี้ก็ได้ทำข้อสอบเพิมีอันหนึ่งพระอาจารย์ก็ได้คือไม่เขาให้กุฏิใช่ไหมคะพะอาจารย์แต่เองเอากดไปก็เลยนอนกดนะคะพระอาจารย์นอนข้างนอกกุฏิเพลินโชงดีมีสาลาก็เลยแขวนเอาไว้อยู่ในกุฏิแถวนั้นนะคะแล้วก็ตรงข้ามกับโรงศพเลยพระอาจารย์ก็คือนอนเพราะว่ามีพระท่านได้มาละภาพอะค่ะก็ก็นอนไม่ พักเขาคื้คืนแรกอะพักท่านก็เดินถามมาว่าเอ๊ะเป็นยังไงนอนได้ไหมบอ ก, ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรไม่มีปัญหาอะไรนอนได้ค่ะก็คือไม่ได้กลัวไม่ได้อะไรค่ะอาจารย์แล้วก็มีพิธีเผาแบบเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกอะค่ะก<ม>็โอมารีโกเลยเผาคนคนเลยนะมรดกรใช่ไหมคะพระอาจารย์การแล้วก็เห็นเลยว่าเหลือแค่เหลือแค่แบบว่าเหลือเผาจนกระทั่งเหลือแค่แค่นี้เองอะพระอาจารย์เดียวมันก็เลยได้มันก็เลยยิ่งเห็นเข้าไวแหงค่ะอาจารย์ ที่วัดไหนวจจัย่ะวาดปุริชัดเีคะอาจารย์วัดลงัดเลวงปจจยนี่ะมาแล้วก็ไปได้ขัดส้วมด้วยค่ะอาจารย์ก็เตรียมอุปกรณ์เตรียมถุงมือนะแล้วได้ขัดซ้วมก็โอเคก็ไม่มีปัญหาอะไรการชี้ก็รู้สึกว่าเออพอใจที่ที่ทำได้เรียบร้อยแต่เสียดายจะมีมีอาจจะมีโดนโดนมดเล็กน้อยก็พยายามระวังแล้วอาจารย์ค่ะแล้วก็ใช้สตใช้สติทำงานใช้สติ ล้งจาน ก, กว่าตาดัดอะไรเรียบร้อยแล้วก็ที่เหลือเวลาก็เดินจงกรมนั่งสมาธิทั้งหมดค่ะพอาจารย์ก็นั่งอยู่บนบนบนเจดีย์ค่ะข้างหลังเป็นหลวงปูเชียบสองด้านแล้วก็ข้างหน้าเป็นเป็นอาบของพระอตรงตามมหาบัวอะไรพวกนี้นก็รู้สึกว่าดีมากเลยพระอาจารย์ตอนแรกๆเมอตอนนอนพอนั่งขึ้นบนมีหาง่วงเลยพระอาจารย์แล้วลาาา ก, ก็ได้เจอพี่ว่ามีเสียงล้นยนเสียงอะไรเข้าไมไหมอือจริงจมีแต่มันไม่รำคาญค่ะพระอาจารย์แต่ันเจดีมันก็รู้สึก มันก็ไม่เงียบคือไม่ได้เปิดพัดลมไม่ได้เปิดเลยนะคะพรอาจารย์คือนั่งแบบธรรมชาติหมดเลยไม่ไม่ได้ใช้เครื่องอะไรเลยคระอาจารย์ไม่ได้เปิดไฟแต่ที่วัดมันที่วัดนี้จะมีไฟเล็กนิดนึงคคือมันจะไม่ได้มืดมากค่ะพรอาจารย์เพราะมีไฟอืมีเสียงแล้วก็ไม่ไอ๋อจะมีเสียงก่อสร้างเล็กน้อยก็มีกิจสิ่งคือท่านกาลังทําอแม้ที่ท่านสร้างบ้านนะแต่ว่าตัวเองก็ไปดั่งบนก้อนหินบนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีปัญหาอะไรพระอาจารย์กำลังแต่ว่ามันไม่มืดมันไม่มืดมากค่ะพรอาจารย์ไม่ต้องใช้ แล้วก็ไม่ต้องใช้เทียนนะคะคือมันมองเห็นเห็นแล้วก็ขอบพระคุณพระอาจารย์มากเลยนะคะเพราะว่ามันเข้าใจที่พระอาจารย์บอกว่าเออคือให้ไปไปไปทําข้อสอบที่อาจารย์บอกว่าเรื่องของการที่แบบว่าเป็นปติเป็นดินอะไรเงี้ยทําทุกอย่างได้แล้วก็เลยอ่าเออกิเลสละเอียดมันต้องการมันต้องการสมาธิให้มันเยอะมากขึ้นใช่ไหมเพราะว่าพระท่านเจ้าอาวาสก็บอกปกติสมาธิให้เยอะมันจะจะได้ไม่ต้องไปถามเพะมันจะเห็นมากขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะอาจารย์ เลยตั้งใจทําแล้วก็อีกอันหนึ่งนะพระอาจารย์มีความคิดว่าเอ้ยอย่างนี้เราเราไปวัดแล้วก็ค่อยๆดูไปแล้วก็มีความคุยออกับแฟนว่าเอ้ยอีกหน่อยนะเขาเนี่ยเราอาจจะแบบเออสร้างมันก็นว่ามีกุดมีกุดแอบจะได้อยู่บ้านมั่งแล้วก็ไปอยู่ที่กุดตรงนั้นมั่งดีไหมคะพระอาจา <laughs> รย์รู้สวยอยากอยู่วัดเหมือนกันพ่ะอาจารย์แต่ว่าที่แบบเป็นวัดป่าอนะไรเนี่ยก็แล้วแา่เราจะเห็นขคงโปรดของเค่ะได้พระอาจารย์ ปฏิบัติต่อมาะอาจารย์เดือนหน้าอีกเดือนหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวไปวัดป่าสารน้อยไปจํำพรรษาเลยเนะอะไรนะคะไปจำพรรษาเลยนะไม่อย่างอะไรนะคะไปจํำพรรษาสามเดือนเลยหนึ่เดือนหนึ่งเดือนพระอาจารขอพรอาจารย์ก่อนพ่อผ่าผ่าผ่าหัวใจแล้วมันจะได้มาช่วยดูแลแต่ว่าแต่ว่าตัวเองก็บอกที่บ้านแล้วนะคะขอไปหนึ่งเดือนนะคือช่วยแต่ว่าขอไปก่อนค่ะคุณพ่อก็ วัเรียบร้อยพระอาจารย์ที่เจอพระอาจารย์ก็เดี๋ยวเยววอาบทสวดอทิษไทยอันตรรนายลัคนะให้ท่านท่องค่ะให้ท้องอวัดเป็นภาษาไทยใช่ไเสเ<อ>กภาษาภาษาไทยดีส่สนจะได้เข้าจใจรพระอาจารย์ขอบคุณมากเลยครพระอาจารย์ไปรครมากาตไปที่นาท่วตุนมาลิกามาลิกา การน้ามันการเจ้าค่ะพรอาจารย์ค่ะก็ก็ก็ได้ปฏิบัติจากการที่ว่าเป็น COVID โควิดรอบสองนี้ก็ก็จ ะ, จะ ไ, ได้เจอลักษณะหนึ่งก็คือความกลัวความแบบข้างแรกในวันที่เจ็ดแล้วก็กลัวนะครับพระอาจารย์ก็ก็คือปวดปวดที่จะว่าตื่นไม่ตื่นแล้วก็ปวดหัววันนั้นแต่ว่าพอพอเราได้ สัดมนต์ได้สวดมนต์แล้วก็ภาวนาพุทโธพุทโธแล้วก็ก็ดีขึ้นพอดีขึ้นแล้วก็จากนั้นก็มาไม่สบายพอไม่สบายนั้นก็ก็มันไม่ได้หนักมากนะคะพระอาจาย์แล้วก็เราก็อยู่กับการที่จะเดินดังนั้นพอว่าการเดินจงกรมนะคะพ่อาจานันที่มันถูกต้องมันต้องอามือควายหลังหรือว่าเอามืออยู่ข้างหน้าจ้ะค่ะพ่อจานันเออถ้าจะไหวกน้ า, นาพ่อเมื่อท่าสํารวม เอนเาเดินต่อหน้าพรพุทธเจ้าถ้าเดินควายหลังก็เหมือนเป็นเจ้านายเดินของการแบบเป็นทุ่งอ่อนน้ำถมตนทำมือขวาทับมือซ้ายอยู่ที่ที่หน้าหน้าท้องไม่ได้นั้นนะการสมผัหมายหมายถึงว่าเวลาเดินก็ต้องก้มตัวลงไปนิดนึงหรือว่าไม่ต้องก็เดินตรงๆไม่แต่ต แต่ตามตาอย่าสายตาอย่าทอดไปไกลให้อยู่อยู่ขนาดอยู่ที่ข้างหน้าเรา อ, อยู่ออกไปที่พื้นข้างหน้าเราประมาณสักกี่ก้าวจ้าะพะอาารอากาศเองที่มันเหมาะสมที่มันสบายที่มันเป็นธรรมชาติไม่มีไม่มีไม่มีมาตรฐานตายตัวคือไม่ต้องการให้ใจ ไม่ให้สายไปสายมามองนู่นเดินเดินไปแล้วก็มองต้นไม้มองอะไรอย่างนั้นไม่ได้ไ่ให้เดินแบบมีมีสติคอยบังคับให้มันจดจ่ออยู่กับการเดินอย่างเดียวแล้วก็ดูข้างหน้าเพื่อจะได้รู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างหน้าเราหรือเปล่าอย่าเดินไปเหยียบอะไรเขาเลือนเดี่ยวกันไี่งูมันแล้วออกมาอะไรนั่นฉันต้องลองเอเจ้าข่าวอาจารย์สนใจไหม เข้าใจครัเจ้าค่ะอาจารย์สาธุเจ้าค่ะไปนะโอเคไปที่วันทิศเชียงทิศเอเอไปเที่ยวเออนมัสการค่ะอาจารย์ก็วันนี้ลูกไม่มีคําถามอะไรค่ะพระอาจารย์มาร่วมรับฟังค่ะพระอาจารย์ไปฏิบัติอยู่ ค่ะปฏิบัติอยู่ค่ะก็ยังอยู่ในความเพียรค่ะก็พยายามให้ได้วันละเป็นช่วงค่ะคือช่วงละสองชั่วโมงเช้าช่วงสองชั่วโมงเย็นค่ะค่ะอาจารย์ก็ออค่ะพรอะไรอาจารย์พยายามมากๆเลยค่ะพระอาจารย์เขาว่างวันมันก็คือมันต้องอดทนมากๆค่ะก็ต้องพยายามคิดตลอดเวลาอย่างที่พระอาจารย์สั่งสอนนะคะว่า คิดถึงเรื่องความตายไว้ว่า<ม>เราไม่รู้ว่าความตายมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่<ม>อาจจะเป็นพรุ่งนี้ก็ได้ก็คือ<ม>คือลูกจะต้องคือจะมีเสียงพระอาจารย์อยู่กล้องตลอดเวลาเพราะว่าวันเวลาผ่านไปผ่านไปอะค่ะเพราะเมื่อวานเพิ่งฟังอยู่ค่ะพระอาจารย์บอกว่าเ อ, อวันเวลาผ่านไปผ่านไปเราต้องเหมือนกับเป็นงูใหญ่ที่คอยกืนกินตลอดเวลาค่ะพระอาจารย์น้องรับมืเวลากินกินทําไง เวลากเกินสป 3% 3% ทั้ัหลายหมดไปค่ะลูกก็คิดถึงค่ะใช่ค่ะอาจารย์ลูกก็คิดถึงความตายเรื่อยๆค่ะก็เลยทําให้รู้สึกว่าเกิดความเพียรมากๆกลัวว่าจะไม่ได้บอกถึงจุดที่เราหวังไว้ค่ะอ่าใช่เวลามีคุณค่ามากถ้าเราถ้าเราต้องการมาใช้กับการปฏิบัติค่ะอาจารย์ ก็เพียรปฏิบัติต่อไปอะค่ะพระอาจารย์ล้มลุกคุกขานค่ะครัอาจารย์ก็เจอเวทนาบ้างค่ะเพียนทักษาระดับที่เราทําได้นะน้องเพียรเพิ่มสร้างเพิ่มเพิ่มระดับของการปฏิบัติให้เข็มคนมากขึ้นไปเรื่อยๆค่ะพระอาจารย์ก็พยายามคิดค่ะถ้าวันไหนมันไม่ถึงสองชั่วโมงอยากจะทดอยากจะชดเชยในวันต่อไปแต่ว่าก็พยายามบางทีมันก็ไม่ได้อค่ะครัอาจารย์ก็ไม่เป็นไรค่ะทําเท่าที่เราทําได้ก็แล้วกัน ค่ะพระอาจารย์แล้วก็เออลูกมีคําถามนิดนึงค่ะตอนที่เวลาเจอเวทนาค่ะพระอาจารย์บางคคือเวทนานี้มันจะมันจะมาทีหลักตัวใช่ไหมคะพระอาจารย์คือบางครั้งลูกคือตอนแรกแรกลูกจะแบบมีอาการเจ็บเน็บมีเน็บชาแบบมากๆแล้วมันก็ผ่านไปได้บางครั้งมันก็จะมีแบบเหมือนมีน้ําลายคือแบบมากมากจนลําคาทําให้เรารู้สึกแบบเป็นตัวที่เป็นนิวร์สาหรับเราแต่ว่า มันจะมาทีละครั้งทีละครั้งมันไม่มาพร้อมกันมันเป็นที่จิตเราปรุงหรือเปล่าคะไม่ต้อไปสนใจแล้วอยู่ที่ว่าเราจะมปฏิบัติมันยังไงค่ะคือปล่อยวางอย่าไปยุ่งกับมันไปมันไปมันทําให้เราเกิดการวิตกวิจารณ์ทําให้เราแบบไม่นิ่งใช่ไหมคะคือมันทําให้เราเสียสติแล้วเราไม่ได้จดจออยู่กับพุทโธแล้ค่ะค่ะค่ะกลับมาที่พุทโธแล้วไม่ต้อไปสนใจในเรื่องอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันจะเกิดเข้าไปมันเกิดไป ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้หค่ะพระอาจารย์ค่ะน้อมนำปฏิบัติค่ะพระอาจารย์เ่็นไปกลับมาที่ชนบุรีค่ะอุตพัฒนาบอาวินกล่าวรรมสการ์่อาจารย์เจ้าปาเข้ามาร่วมฟังธรรมเจ้าม่าพระอาจารย์เอ็นไปที่กรธรรมอท้ายสองพุทธมนตรยมหญิง วิไลก่อกลับนักการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้ไม่มีปัญหาค่ะมาฟังเสียงพระอาจารย์กับพระอาจารย์แล้ฟังธรรมพระอาจารย์เจ้าค่ะโอเคค่ะไปที่คนนุณแดงสมภาดาบุญดอนธานีาน ค, าานนค่ะนักประการค่ะพระอาจารย์มาลุ้นฟังธรรมค่ะไม่มีคําถามค่ะไม่น่าเชื่อนะเทคโนโลยีสมัยนี้ทาให้คนที่ไหนก็มาเจอกันได้นะครับงงใช่ค่ะตระการสายทิพย์ขนแก่น กับนมัสการพระอาจารย์ด้วค่ะยูเป็นเหมือนผู้ชายแล้วนะผมผมผมส่้นแล้วก็ผมอีกด้วยค่ะพระอาจารย์ไม่ร h h ู้ทรงอะไรสบายดีไหมไม่ดมสบายสบายค่ะเบาหัวดีค่ะพระอาจารย์กำลังคิดว่าเอะหรือว่าจะให้มันแบบ มเปียนเลยให้มันเกลียนเลยเลยเป่นะคะอาารยนบเป็นแบบนักเรียนนักเรียนที่เรียนกันในโรเรียนที่บ้านบอกว่าขอทรงเก่ากลับขึ้นมาเถอะตอนนี้ขอสวยทางใจดีกว่าสวยทางกายมันเหมือนเขาไม่เที่ยงเป็นธรรมดาค่ะ ก็เห็นความแก่ของตัวเองขึ้นทุกวันทุกวันด้วยนะคะพระอาจารย์ <Yeah. S 2> ไม่ได้สวยขึ้นไปเรื่อยแต่มันจะเป็นแก่ขึ้นไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะสวยทางใจมีความสุขกับสวยทางกายค่ะรู้สึกเบาๆาดีค่ะพระอาจารย์ mm hmm. แล้วก็ทุกคนก็น่าจะชินไม่มีใครสนใจหัวเราแล้วค่ะ <Yeah. S 2> ตอนแรกก็ดูเอ๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ mm hmm. แต่หลายคนเริ่มตัดสั้นเหมือนเราแล้วค่ะในคณะแต่ไม่ไม่สั้นเท่านี้ค่ะ <Yeah. S 2> ค่ะ ก็เห <necessary. S 2> ็นเขาน่าจะเห็นเบาๆค่ะก็ยังปฏิบัติดีค่ะพระอาจารแต่ว่าสติสติแม่จะน้อยหน่อยเพราะว่าเหมือนพาักงานที่เคยบอกพระอาจารย์ว่าจะลดลดมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะพระอาจารย์แต่ว่าด้านจิตใจจิตใจสงบดีแล้วก็พยายามไม่เอาไม่ใช่ไม่ไม่ไม่มีอารมณ์กับเรื่องต่างๆค่ะพระอาจารย์ใช้ใช้เหมือนเหตุและผลอะไรเงี้ยค่ะ ไม่ไปต่อว่าอันนี้เราไม่ชอบหรือชอบอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์ก็เลยอยู่แบบสบายๆคะ่ะอาจารย์ทํางานก็ทำสบายอยู่กับคนอื่นก็ได้ทำสบายๆอะไรเงี้ยค่ ะ, ะอาจารย์ค่ะคุณตัววัยุเขาเขาจะทําอะไรก็แล้วของเขาค่ะไม่ไม่เป็นพิษเป็นภัยอะไรยังไงกับใครก็แล้วแต่ <laughs> แต่ก็ช่วยช่วยงานของคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์ได้ใจสบายๆรู้สึกทุก ทุกไม่ทุกน้อยลงเยอะเลยค่ะพระอาจารย์น้อยลงไปเรื่อย ง, งานปฏิบัติแล้วเราอย่างทําต่ออยู่กึเ่างานปฏิบัติอ่าก็<ม>ทําทำอยู่ค่ะพระอาจารย์แต่ว่าไม่ค่อยได้ยาวค่ะอย่างนั่งสมาธิ<ม>อะไรเงี้ยค่ะ<ม>เพราะว่าบางที <laughs> อยู่เวรล้านยาตัวเองสี่ทุ่มหมดแรงค่ะพระอาจารย์<ม>แต่ว่าตอนเช้าก็พยายามนั่งอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็มันเแพงนาะนๆอันนี้ก็ไม่กลับไปเรืยเรว่า <laughs> ง บรรเทงไม่ยังบอกบรรเทงยังจัดการไม่ได้ไม่ได้ค่ะพระอาจารย์ยังเป็นเพือ่ออยู่เลยค่ะแต่ว่า ก, แาก็แต่ว่าไม่ได้เป็นพวกพวกหนังพวกอะไรค่ะพระอาจารย์ฟัง <laughs> พวกเหมือนเหมือนอันที่เป็นดูดวงฟังเวลาที่เขาเหมือนเขาเขาสอนอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ดูเพิ่นฟังเพิ่นเพิ่นอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็คงบันเทงนะคะพระอาจารย์ <im it> น่เชื่อพวกดวงอยู่ห ฟังสนุกสนุกเฉยๆค่ะอาจ า, ารย์แต่ว่าไม่ได้เชื่อเหมือนไปรับฟังแล้วเขาก็แบบเหมือนเป็นพวกเหมือนเขามีจิตวิทยาให้คำปรึกษาอะไรเงรี้ยค่ะอาจ า, ารย์ก็สวนยาวมันท่านเชื่อกดแหงกันเร็วเลยลิกฟังนะคะอาจารย์แต่เราฟังเพื่อนเพื่อนสนุ ก, กอะไรเงรี้ยค่ะอาจ า, ารย์ <laughs> แต่ว่าไม่ไม่ได้เชื่อเขานะคะอาจารย์เ <c ười> หมือนฟังฟังแบบเออเขาเขามี มีทักษะในการพูดใช่ค่ะเขามีเหมือนทักษะให้คนมีความสุขอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยฟังไปเพลินแต่ว่าก็คงจะแบบไม่ไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าหนังละครก็ไม่ดูค่ะพระอาจารย์ไม่ไม่ติดเหมือนเดิมเพลงที่สมัยก่อนคือแต่ก่อนนี้ติดก่อนนานๆแล้วค่ะพระอาจารย์ก็คือนิยายละครแล้วก็เพลงฟังตลอดแล้วพวกนี้เหมือนแบบตอนนี้เหมือนเรา เราไม่ไม่ไม่ไม่ไม่อินหรือไม่อะไรกับมันเลยค่ะพระอาจารย์ก็เฉยเฉยเดือดแต่ข้าวเย็นเป็นไงบ้าเข้าว<ต>เาย็ น, นข้ายเย็นไม่ทานทันเข้ารวหอ่อแต่พยายามลดอยู่ค่ะพระอาจารย์ตอนนี้ค่อยๆลดลงค่ะหมายถึงว่าบางทีมันหิวมากก็แต่นิดหน่อยเดี๋ <laughs> ยวจะให้ค่อยลดลงเหมือนว่ามันหิวแล้วมันแบบมันมันแบบใช่ค่ะทรมานใช่ค่ะก็เลยค่อยๆลดลงค่ะพระอาจารย์ ส่วนตอนนี้ร่างกายอยู่กับเวทนาที่เจ็บป่วยค่ะพระอาจารย์แต่ว่าเริ่มเริ่มวางใจกับมันได้มากขึ้นปวดเอปวดข้อแล้วก็ไปหาคุณหมอได้ได้หมอมาแต่ละโรคแต่ละแต่ละอาการตอนตอนนี้กำลังคิดว่าเดี๋ยวเอ่อจะค่อยๆลดยาแล้วก็ต่อไปก็คือถ้ามันเป็นแบบนี้อีกก็คงจะไม่ใช้ยาค่ะพระอาจารย์กจะอยู่นาใ่ค่ะ แต่ตอนนี้ก็ไปไปไปไปไ ป, ไปไว่ายน้ําหน่อยนึงค่ะภรอาจารย์เพราะว่ามันทําให้ข้อดีขึ้นค่ะประมาณนี้ค่ะภอาจารย์แต่ยังนั่งสมาธิอยู่ค่ะแล้วก็ต้องคอยประเมินการปฏิบัติของเราว่าเดินหน้าเราถอยหลังเนะนื่องคงที่นะตอนนี้ถอยฮะเราต้ อ, องรีบเบกไปแล้วได้ค่ะภรอาจารย์ได้ค่ะเราไม่ต้องการถอยหลังเราต้องการเดินหน้าออืค่ะเกือบจะถอย ไปเยอะเหมือนกันค่ะถ้าหายไปเรมถ้าถ้าหายไปแปลว่าเริ่มเริ่มเริ่มเริ่มไปไกลแล้วร่อยไปไกลเขาเริ่มเปลี่ยนกี่ร์แล้วเร์เปลี่ยนเกียรแนวหน้าเห็นไยังไม่ไกลได้ค่ะได้ค่ะอาจารย์ลุยใหม่ค่ะต้องเข้าห้องไม่เงาพยายามไปเรื่อยๆต้องอดทนต้องใช้ขันติอดทนใช้ความเพียรค่ะ แล้วก็เราก็เห็นความความความความแต่ก่อนที่ตัวเองเหมือนทําอะไรเยอะแยะไปหมดค่ะพระอาจารย์เหมือนเราหลงไปเช่นเราปฏิบัติแล้วอยากอยากปลูกต้นไม้ปลูกผักทานเองปรากฏว่าเราก็เสียเวลาปฏิบัติไปกับการทํากิจกรรมพวกนั้นค่ะพระอาจารย์แล้วพอเราปวเราไม่ทแล้วก็เอ้ยไม่ต้องทําก็ได้นี่นะเรากินนิดเดียวเองซื้อเอาแค่นิดเดียวเองอะไรเงี้ยตอนนี้เริ่มเริ่มเริ่มวางหลายๆลอย่าง ำทำชลาขึ้นเนละใช่ค่ะเหมือนแบบใครอยากทําอะไรที่บ้านก็ทําไปเลยอันนี้ไม่ใช่ที่ของเราอะไรของเราคือพี่สาวา่าเดี๋ยวพี่จะทํานี่นะเอาทําไปเลยอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์แต่ก่อนเราจะรู้สึกมุมนี้ของเรานะอย่ามาอย่ามายุ่งอะไรเงี้ยค่ะตรง น, นี้เราจะทํานี้อะไรตอนนี้ก็เริ่ ม, เ ร, มเริ่มใช้ชีวิตเหมือนเอาจะพอที่สําคัญสําคัญแะค่ะพระอาจารย์อย่าไปดูเป็นของเราถือว<ม>่าเป็นที่ของเราของอาศัยเขาอยู่ดีกว่าสบายใจ เมือนเหมันกระท่งร้านยาอะไรเงรี้ยค่ะวันในที่เราอยู่เวลเรเป็นเป็นเป็นร้านยาของเราที่เราไม่อยู่เป็นก็ไม่ใช่ของเราคือพร้อมที่จะลีฟตลอดเวลาอะไรเงรี้ยค่ะจะได้ไม่ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเจ้าข้าเจ้าของอะไรเงรี้ยค่ะพระอาจารย์ใครอยากทำอะไรก็ทําแต่ก่อนจะรู้สึกว่าไม่ไม่สะอาดก <laughs> ็จะก็แต่ตอนหลังก็เอออะไรเงรี้ยค่ะพระอาจารย์ก็ก็ดีขึ้นค่ะเดี๋ยวพยายาม ไม่ค่ะพรอาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวข่าวหน้าจะมารายงานว่าไม่ดู y o u ูทูบแล้วที่เป็นเรื่องบันเทิงข่าวหน้านะคะพรอาจารย์แต่ขต่อไปนู้นไม่รู้เอาข่าวหน้าก่อนไม่ต้องรายงานแล้วก็รายงานกับตัวก็พอค่ะได้ค่ะพรอาจารย์จะพยายามทําให้ให้ดีขึ้นค่ะวันนี้เท่นี้ค่ะพรอาจารย์ะต่ทุกข่าวมันสมชายเป็นเชเวีย ทำงานนะี่โอเคโอเคอีกส่วนไม่เนี่ยอ่าสวัสดีครับท่านผาาู้จ mm ัดอ่าก็เข้ามาในในห้องรับฟังจากประสบการณ์อ่าของทุกท่านที่เข้ามาครับแล้วก็อ่า uh, ผมก็อาจจะรอถึงวันอ uh, วันพุธหน้า uh, วันอ uh, วันอังคารหน้าจ ะ, จะ ผมมีอะไรคุยมั่งอยู่แล้วก็การโกรธนี้ผมก็พยายามระ ง, งับโดย้วยโดยพูดโทรครับแต่ก็แต่ก็ก็แฟก็ขึ้นมาเร็วครับบางครั้งก็ mm. แล้วก็ก็อยู่ไปด้วยดีครับลึกถึงก็ก็ลึกถึงท่านพระอาจารย์ตอนอปกติจะเป็นใบ อ่าถ้าเป็นเมืองไทยก็คงเป็นบ่ายหนึ่งบาสองท่านพูดกับท่านท่านหงไม่ได้ยินก็แค <c oughs> ่ น, นั้นแหละฮะก็ก็นั ก, ก็รักษารักษาสินแล้วก็อ่าท่านพูดว่าเรื่องเรื่องสินแปดบางครั้งก็ก็ขาดไปมากครับต่อเดือนแต่ก็ไม่ได้ทุกวันฮ ะ, ะอาะ่าก็ากาาครับก็พยายามครับ ก็เหมืนเดิมยังยังน้อมโลกคดข่ายมาทําไปครัพยายามไปเลยครับก็อ่าก็อยากจะเป็นดอกบัวที่ท่านเคยบอกว่าจะขึ้นขึ้นไปโกลโกลดอฟออนออนสั้นรับก็แค่นี้แหละครับให้โผลนืน้ำโผนืน้ำขึ้นมาครับก็ครับแค่นี้ครับโอเคขอครับไปได้คุณจ่ายพัทยา วันนี้ไม่อาหารไม่หาเอาสตางเลยหาสติแทนน้าน้องกราบอาจารย์ค่ะก็หาทั้นสติหาทั้งสตางควบคู่กันไกาอนะคะว่าอาจารย์ตอนนี้ร้านยังไม่ปิดนะอ๋อปิดแล้วค่ะแต่ก็นั่งทํางานทํางานบนกองเต็มนี่เลยค่ะอาจารย์ก็ฟังแต่ก็ตั้งใจฟังนะคะอาจารย์ก็พยายามรักษาค่ะพยายามหาสติให้ตัวเอง ก็ยังดีถ้าเขามาฟังก็แสดงว่ายังมีการพัฒนาอยู่บางว้บ่อยๆ่อไปมันก็อยากจะทำขึ้นมาเองอเวลาหนีเที่ยวนี้ใจมันไม่สบายนะคะพระอาจารย์ออแบบว่าวันอาทิตย์ไม่ไม่ได้เข้าไปฟังทำนี้นะคะรู้สึกออว่ารู้สึกไม่ดีเลยแต่ว่าวันนั้นที่ที่วันอาทิตย์ที่ไม่ได้ไปก็เพราะว่าหนูไปคอมเมนต์เพื่อนว่าเดี๋ยวถ้าหนูไปทาง บ้านเขาหนูจะแว่อย่างเนี้ยค่ะแต่พอดีแฟนเขา่าไปอ่านว่าอุ้ยพรุ่งนี้พี่ต่ายจะม า, อาเอ้าไปอ่านทําไมอ่านอย่างนั้นนัหนูก็เลย ว, ว่าเออถ้าเราไม่ไปเขาจะรอหรือเปล่าก็เลยต้องไปอะค่ะอืมโอ้<ม>แต่แต่แตกมม็มันก็อยากจะไปบุญด้วยเลยวันีมันก็ใช่ค <laughs> ่ะทาทางคนดีเลย <laughs> ใช่ค่ะก็เลยว่าเออเราจะสัญจญาทางนน้นหรือว่าจะไปอย่างนี้ดีก็อะ อแต่ว่า <interpret> ม <ations> ันก็ม hmm. ีในใจมีสองสองอย่างนะคะบอกว่าเธอก็ไปก่อนสี่แล้วเดี๋ยวพอเข้ามันษาเธอจะขังจนแล้วไม่ใช่เหรออะไรอย่างเงี้ยอาจาร์เมันมันโตกันอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยหนูก็เลยยอมว่าก็ได้ปล่อยให้วันหนึ่งอ่าค่ะแต่ก็ให้รู้จักว่าแรงเรียงมันเยอะนะกิเลนแรงเลียงมันเยอะ ใช่ค่ะหนูนคิดว่าหนูแพ้มันแบบทั้งทั้งที่รู้ว่าแพ้แล้วก็ทั้งทั้งที่รู้ว่ามันกระจะยอัลชนะเราแต่ว่าโต้อตอบมันไปไม่ได้ก็ก็งงตัวเองเหมือนกันนะคะว่าอ า, าจารย์ว่าจะเอาอยัางไงดีไม่สบายแต่ไม่สบายใจยแต่ขับรถออกจากบ้านแล้วก็ว่าเอไปอยังไงดีถ้าเอ่ถ้าสูทาก็สู้สูไม่ได้ก็ไปไปทางนน้นแต่ก็ แต่คำสอพนพระอาจารย์ยังอยู่ในหัวเสมอนะคะพระอาจารย์แต่ว่าก็บอกตัวเองว่าเดี๋ยวข้าบพรรษาหรือว่าใกล้ๆเนี้ยมันต้องมีการพัฒนาแน่ๆหรือต้องเอาชนะมันชนะกิเลสแล้วก็จะขังมันไว้ให้ได้ค่ะพระอาจารย์ลองดูลองดูนะคะวันนี้ไม่มีอะไร ค, ะค่ะพระอาจารย์ขอให้สำเร็จขอให้ส ำ, สำเร็จตำหรับปัตตนาขอสาธุคุณอสรัตเสนปฐมญาณ นะมาสการธรรมอาจารย์เจ้าค่ะไม่มีคําถามเจ้าค่าะธรรมอาจารย์โอเคสบายดีนะสบายดีเจ้าค่ะข <Okay. S 2> อบพระคุณอะไรที่คุณเน้ต่อเน้นฮะการมาสการพระอาจารย์เจ้าค่ะตอนนี้โยมเอ่อเพิ่มที่เคยบอกว่าหนูเคยปฏิบัติเดินจงกรม สามสิบนาทีแล้วก็นั่งสมาธิสามสิบนาทีทีนี้ว่าอยากปฏิบัติเพิ่มขึ้นตอนนี้หนูก็เลยมาเป็นนั่งสมาธิหนึ่งชั่วโมงเจ้ค่ะ mm. แต่ว่าตอนนี้ก็เหมือนจะขี้เกียจเดินจงกรมเลยนั่งยาวแต่ว่าจิตมันไม่ไม่ได้สงบยาวถึงขนาดหนึ่งชั่วโมงเจ้ค่ะมันก็จะแบบมันจะสามสิบนาทนีเด้งออกมาแล้วมันก็จะแบบเริ่มเริ่มไม่รวมแล้วจ้าค่ะแล้วก็ต้องพยายาม mm. เราพยายามพูดโธใหม่หรือเดินนใหม่เจ้าค่ะก็เลยจะถามพระอาจารย์ว่าให้พยายามนั่งนั่งสมาธิไปให้ให้ในเวลาหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ไปเดินจงกรมหนึ่งชั่วโมงก็คือจะได้เพิ่มเป็นสองชั่วโมงนะคะหรือว่าเดินจงกรมสามสิบนาทีกลับมานั่งสมาธิสามสิบนาทีแล้วก็พักแล้วก็ไปเดินจงกรม สาสิบนาทีแล้วก็มานั่งสมาธิอีกสาสิบนาทีอันนี้มันก็สองชั่วโมงเท่ากันอย่างไรมันจะมันจะเกิดผลดีกว่าเจ้าคะ่ะเพราะว่าถ้านั่งยาวมันก็ไม่สงบถึงสามสิบนาทีหรือว่ายาวขนาดนั้นเจ้าคะ่ะมันต้องควรจะฝึกอย่างไรเจ้าค่ะเพฝึกถ้ามันยาวได้ก็ดีแต่ถ้ามันยาวไม่ได้มันต้องยามรับสภาพว่ากํำลังเรายัางไม่พอนะเจ้าค่ะถ้านั่งไม่ได้นั่ง ล, ลุกขึ้นมาเดินแต่เดินกวาเรา ยังไม่ไหวแล้วก็กลับมานั่งใหม่แต่เป้าหมายคือรักษาสติไว้ตลอดเวลาไม่ว่าจะนั่งหรือจะเดินให้ใจเร า, า ม, มีสติอยู่กับพุโทโธอยู่กับลมและอยู่กับเวลาเดินอยู่กับเท้าที่เราเดินก็ได้พพ แ, แต่อย่าปล่อยให้ใจมีสละไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เจ้าค่ะกลับขอบพระคุณเจ้าค่ะไม่มีคําถามแล้วเจ้าค่ะไปได้คนได้แผน ไวไฟชื่ออะไรเรอ่ยกาลธรรมสการค่ะพระอาจารย์โยมวิรศนีจากเยอรมันค่ะอ๋อหายไปนานแล้วนะค่ะโยมหายไปนานแต่ว่าโยมไม่ได้ลดเลิกการปฏิบัติเลยนะคะพระ อ, อาจารย์อาจจะมากกว่าเดิ ม, ม<า> ด, ด้วยซ้ำค่ะได้ดกลับมาบ้านมาเมือไทยบ้างห่ากลับค่ะแต่เป็นการกลับไปเยี่ยมไข่ค่ะหลวงพ่ออาจารย์ค่ะกลับไปเ้าคุณพ่อคุณแม่ที่โรงพยาบาลแล้วก็กลับบ้านเลยอะไรแบบนั้นนะคะ แ ไ, ไม่ค่อยมีเวลาได้แวะไปไหนเลยค่ะท่านพระอาจารย์คะโยมมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติคะ่ะรู้สึกว่ามันอยู่กับที่มานานแล้วไม่รู้ว่าจะทํายังไงต่อไปอ่ะค่ะเราเจก็ตจะไปหาที่ปฏิบัติที่มันเข้มคนถึงจะสามารถย้มาดับได้หรือถ้าไปมไม่ได้อยู่ที่บ้านเราก็อาจจะต้องมีมาตรการอย่างอื่นอีกใจเราให้ปฏิบัติมากขึ้น เช่นกินข้าวให้น้อยลงอะไรแบบนี้คนข้าวบางอะไรท้าวทำได้ค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ยมเป็นตอนนี้ก็คือสมาธิมันมันเข้าไว้มากเลยค่ะคือนั่งปุ๊บมันก็เข้าเป็นสมาธิแล้วก็บางทีสองสามชั่วโมงแล้วก็ถอนออกมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ พอทําอย่างนี้ได้มันก็นอนไม่หลับนะคะท่านอาจารย์ยมนอนน้อยมากเลยค่ะมันจะนอนแล้วก็รู้อยู่ทั้งคืนรู้อยู่กับที่อย่างนั้นนะคะขยับซ้ายขยับขวาก็รู้อะไรคะ่ะบางทีก็เห็นแบบแสงสว่างมันไหลย้อนกลับเข้ามาในตัวอะไรองนี้ค่ะบางทีหดลงเหลือแค่ปลายนุ่งก้อยอะไรเงนี้ยคะ่ะแล้วก็แล้วก็แรงก็เยอะอย่างเงี้ยคะ่ะพ่าอาจารย์ยมก็ไม่รู้จะทํายังไงต่อไปดีอะคะ่ะ พือถ้ามันไม่นอนมันไม่เป็นขอกระชับต่การทํางานของเราแลก็แล้วไปมันไม่หลับก็ไม่ต้องหลับครับจะไปอยากให้มันหลับมันถ้าอยากให้มันหลับมันไม่หลับไปจะทําให้เราทุกท์ทำให้ไม่หลับก็ลุกล่องขึ้นมานั่งสมาธิต่อไปค่ะที่ที่ยมทําตอนนี้ก็คือนั่งสมาธิใช่ไหมคะแล้วก็พอมันถอนออกมายมก็พิจารณากายอย่างเนี้ยค่ะ พิจารากายแล้วที่เพิ่มมาก็คือยมเริ่มมีอาการปวดหลังจากการนั่งนานๆยมก็เดินค่ะเดิน<อ> ค, คือคือที่บ้านซื้อหมามีมีหมาตัวหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องจูมันไปเดินเล่น<อ>ยมก็ถือว่าได้เดินจเจริญสติด้วยรู้เท้าเหยียบไส้เหยียบข้าไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ค่ะทำอย่างนี้ตลอดแล้วทั้งวันยมก็จะรู้สึกว่ายมรู้สึกตัวอยู่ตลอดนะคะ<อ>บางทีก็ มีอารมณ์อะไรมากระทบเราจะรู้เลยว่าตอนนี้โกรธตอนนี้เสียใจดีใจหรือว่าขยับซ้ายขยับขวาอะไรเงี้ย น, นะคะสติก็ดีขึ้นค่ะแล้วก็แต่โยมก็นอนไม่หลับพนักชิดนอ น, นไม่ค่อยหลับก<ช>็ทําที่เรานอนแล้วก็นอนแบบ ท, ำทํำสมาธิในในท่านอนเลยใช่คะ่ะมันเป็นสมาธิเลยค่ะแย่าปล่อยให้ใจคิดอะไร ยมรู้เลยว่ามัน uh huh. เป็นสมาธิตอนนอนนะคะท่านอ uh huh. าจารย์ค่ะก็ดีก็นอนดึกนอนสมาธิไปนะค่ะแต่มันเป็นอย่างนี้มาแล้วมันก็คือยมไม่ได้เห็นความก้าวหน้านะคะมันเป็นอย่างนี้มาตลอดเวลาที่ยมไม่ได้เข้าซูมเนี่ยสองปีมันเป็นอย่างนี้ค่ะยมปฏิบัติมาอย่างนี้ตลอดแล้วก็ยมมีความรู้สึกว่ากลางคืนเนี่ยเป็นเวลาที่ยมได้ภาวนามากกว่ากลางวันด้วยซ้ําอย่างนี้ค่ะเราก็เรามาพิจารณาทางปัญญาเพื่อปล่อยวาง ปวางเบือ้อนั้นจะะปล่ยวางสิ่งต่างๆที่ใกล้ตัวเราเช่นคนสามีภรรยาสามีโลกเราอะไรต่างๆวันนี้ให้เราไม่ไปทุกขกับเขาไม่ไปเขา้าวกับเขาให้เราเห็นว่าเขาเป็นตายแล้วเวเขาเป็นนิจจันทุกข์กัตด้เรื่องกานปัญญาบ้างก็ได้ค่ะแล้วโยมอาจจะคาดหวังมากไปนะคะว่าเออวิธีมันอาจจะ ควจะก้าวหน้าหรืออะไรยังไงคือสองปีแล้วที่มันเป็นอย่างนี้ะค่ะเหมือนกับมันไม่ไปไหนเลยนะคะท่านพอาจารย์เราต้องไปหาอยากจะก้าวหน้าเราแม้เราจะทที่ทําข้อสอบแต่างนั้นต้องไปอยู่คนเดียวอะไรอย่างนี้เราแยากตัวจากเพื่นคนไปแล้วดูว่าจิตใจเราเป็นยังไงอะไรจะเป็นเหมืับเป็นทดสอบว่าเรามันเราาจะต้องอยู่คนเดียวอะไรอย่างนี้เราอยู่ได้ไหมอยู่คนเดียวไม่ทุกอะไรอะไร ไม่คิดถึงไครต <beter Gym>. <S 1> <S 1> <N> ัดเขาได้หร <N> ือเปล่าอะไรต่อไปค่ะ <com> ค <N> ่ะ <com> มันจะก้าวหน้ามันต้องมีข้อสบถ้าอยู่กับสภาพเดิมๆมันก็ไม่มีข้อสอบให้เราทำค่ะโกาสที่โกาสที่จะได้ไปทำมัน้อยค่ะท่านอาจารย์แต่ยงเคยไปค้างที่ดอกคําำนะคะทําดอกคําที่ที่พราวนะคะอืก็นอนในถ้าอะไรอย่างนี้ค่ะมันก็มันก็โอเคนะคะค่ะ ถ้าเราอยู่ในสมาธิมันก็ไม่กลัวไม่กลัวอะไรคะเป็วิธีการเหมือนจ้าหน้าแือถ้าเรามีสมาธิเราก็ต้องพยายามฝึกตามปัญญาปัญญามันก็จะเกี่ยวกับการทําข้อสอบต่างๆทำข้อสอบความเจ็บความตายการพัดผ่ากกันการอยู่แบบไม่ใิ่เนื้อบรดาตัวอะไรอยู่แบบไม่มีอะไรมาสนับสนุนเรานอกจากค นอกจากสิ่งสิ่งที่ยังเป็นปัจจัยสิง่งนั้นดัง้นไม่ไม่ต้องมีอะไรอยู่แล้วอันนี้ก็มันเรื่อที่มันจะทําให้เราห้าหน้าได้ดถ้ายัไม่ได้ถ้ายังทําทไม่ได้ก็ต้องต้องยอมรับสภาพแล้อว่าเราขึ้นคำรุดขึ้นทางด่วนยังไม่ได้ยังเป็นอยู่ข้างลางค่ะอันนี้ปิดตัวยากค่ะอันนี้ปิดตัวยากจริงแล้ว มีสิ่งหนึ่งที่มันยงสงสัยอะค่ะแล้วก็แบบว่ามันคืออะไรกันแน่คือกําลังอะค่ะยง ม, มีโซยง ม, มีกําลังนะคะท่านอาจารย์บางทีนอนนอนอยู่แล้วมันหดลงมาเหลือแค่นี้นะค่ะอ <c oughs> แสงสว่างะค่ะแล้วพอยมอาจจะคุมมันไม่ได้หรือสติไม่ดีมันพุ่งอะค่ะพุ่งแล้วก็พอบ้านก็ตกใจเป็นบ่อยครั้งจนบางทีเขาใครป้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราไม่รู้ว่ามันอุปทานหรือเปล่าแต่หลายๆครั้งที่ลองสังเกตดูมันมันไม่ใช่อุปทานนะคะท่านอาจารย์มันการสติมากกว่าถ้าเรามีสติมันจะต้องเด้งมันแล้วไม่มีอะไรอาการอะไรปรากฏขึ้นมาอันนี้คืออาการทางจิตใช่ไหมคะใช่อาการทางจิตจิตเราไม่เด้งเราประมาณแล้วไม่ใช่สติคนมันมันต้องหยุดมันการบริกรรมหรอะไรหยึ่งมันอย่าปล่อยให้มันปรากฏขแต่จริงๆ แต่จริงๆมันเป็นเวลาที่ยมนอนนะคะแล้วมันก็จะรวมเข้ามาล้ยมก็รู้ว่ายมรู้อยู่กับจิตนะคะท่านพอาจารย์มันจะมันจะเกิดตอนนั้นนะคะมันอาจจะเป็นแบบช่วงโมเมนต์หนึ่งที่ยมอาจจะแบบ เริ่มจะเริ่มจะนอนจริงๆแล้วคะ่ะที่จะขาดสติตรงนั้นนะคะที่จะจะประคองไม่ได้หรืออะไรบอกไม่ถูกค่ะอาาจรพี่จันถ้ามันไม่ไปทําอะไรให้เกิดความเสียหากับใครมันไม่มีถ้ามันเป็นเรื่องภายในจิตนี่ค่ะไม่ค่ะมีแต่แบบว่าพ่อบ้านตกใจมันเสียงดังอะไรอย่างนี้ค่ะอืแสดงว่าเราเราตะโกลลนออกมาอะไแสดงเสียงดังอะไรเสียงดังใจอะไร เสียงดังจากมันพุ่งไปชนนะคะคุณอาชานตัวเราไปพุ่งไปชนเท่าไมไม่ใช่ค่ะไม่รู้อ่ะค่ะมันเป็นเสียงดังแบบว่าเหมือนเสียงอะไรสักอย่างไปกระทบทู้หรือแับตู้เสื้อผ้าอะไรอย่างเง uh ี้ยค่ะมันแบบจะเป็นตอนยมนอนนะคะ พอบ้าทโยมก็รู้นอนแล้วก็รู้สึกตัวอยู่อย่างนั้นนะคะว่าเราได้ยินด้วยเขาได้ยินค่ะแล้วเขาก็ค่ะแล้วเขาก็ใครป้าบ้านอีกแล้วอะไรเงี้ยค่ะอันนี้เราไม่รู้อันนี้เราบงเอิรืหลายรอบก็ใ้ลูกเฉยๆไป้กันหรอว่เป็นตายรักไปแล้วกั าาอันนี้ อ, นนอันนี้ที่ยมคาใจมากเลยแล้วยมก็สังเกตตัวเองมา น, นานแล้วค่ะสองปีแล้วที่สังเกตตัวเองแบบนี้นะคะย ม, มไม่ไม่ได้พูดกับใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้ว่าเป็นขขาตายรักเราไว้เป็นอาการที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเราห้ามมันไม่ได้เหมือนไปเหมือนฟ้าแลบฝนตกฟ้าผ่าอะไรไป้เราไม่ต้องสนใจดีที่สุดใช่ไหมค่ะไม่ต้องไปทุกข์กับมันไม่ต้องไปอะไรเลย เมื่อเราห้ามมันไม่ได้ก็ต้องอยงมรับกับความเป็นจริงไปมีอะไร <คำ S 1> ไหมหมดแล้วหมดคําถามค่ะตอนนี้ยังต้องทำมานอยู่ที่บ้านอะไรก็เดี๋ยวนี้ต้องไปไม่แล้วค่ะต้องต้องไปออนไซด์แล้วค่ะตอนนี้ค่ะต้องเข้าที่มหลาลัยค่ะทําอยู่ที่บหานได้ไหมค่ะใชภาษาเยอรมัน ใช่ค่ะทั้งภาษาเยอรมันทั้งภาษาอังกฤษครับเพราะว่าที่ทำอยู่นั้นเป็นหลักสูตรเป็นยาเอกนานาชาติค่ะค่ะทางคณะอะไรเป็นไบโอมีเดซิ่นกับไบโอเอนจิเนียริ่งค่ะอืมมันมีไฮเทคนะค่ะอืมก็ดีก็เนีย่ยก็ใช้ปัญญามากก็ได้นะถ้า ถ, าถาคิดว่าสมองที่เรามีมากพอแล้วก็มันปัญยาเดิ ปัญญาพิจารณาทุกอย่างให้เอเงามันเป็นธาตุไปก็ได้เราเป็นวิศวเอนจิเนียร์ก็มองทุกอย่างเป็นออแกนิกไปทุกอย่างก็เป็นออแกนิกแม้เท่าร่างกายนี้มันก็เป็นออแกนิกเท่านั้ใช่ไดน<ช>ินด้างลงไปก็คือค า, า, า, าร์บอนไดออกซิเจนออกซิเจนอะไรมันก็ผสมอยู่ในร่างกายนี้มนไม่มีตัวตนใะช่ัหม แต่ใจเราไปยึด ไ, ไปคิดี่าเมในตัวเราของเรามองร่างกายเราเห็นว่ามันเป็นเพลงเป็นระบบระบบธรรมชาติระบบดินน้าลมไฟมันรวมตัวกันแล้ววันหนึ่งมันก็ต้องแยกตัวออกจากกันใช่ไหมทุกอย่างมันไม่มีอะไรที่จะจีรังทาวนยั่งยืนอันนี้ก็ใชรนี้พิจารณากับทุกคนเลยนะด้ทั้งสามีเราลูกเรา พ่อแม่าพี่น้องเราใครก็ตามที่เราอย่างทุ ก, ยกอย่างกังวลอยู่ถ้าเราบอกเขาให้เราก็เป็นระบบดินะน้ำรงไปฟอาก็อาจจะไม่ต้องทุกข์กัาเขได้ใช่ไหมใช่ค่ะออลองเดินทางบัญญามากหน่ถ้ามันพุง่งแล้วมาก็ต้องหยุดนั่นแล้วก็กลับเข้ามาทําทําสมาธิใหม่บางทีมันทำเลยแล้วมันจะเลยเถิดไม่ทำบรรยามัญญาก็ไม่อยากเข้าสมาธิแล้ว โยมคิดว่าโยมออกจะติดนะคะสมาธิเข็นออกปัญญามันจะไม่ค่อยจะไปอะค่ะไปพิจารณาสักพักหนึ่งมันก็จะแบบกลับมานิ่งรู้อยู่ที่เหมือนเดิมอย่างนั้นนะคะรู้อยู่ในจิตเหมือนเดิมอย่างนั้นนะคะก็ไม่เป็นไรแต่ต้องพยายามผลักไปเรื่อยๆค่ะแต่ละมันจะงทีมันถักไปแล้วบางทีมันก็เลยแถมไม่ยอมหยุดก็มีแล้วบางทมันกลับเข้าสมาธิจิตมันจะเป็นยังไงมันจะชอบสุดต่ง พมันอยู่ทางนี้ก็มันไม่จะติดตางนี้เมอเราผ่าให้มันออกไปมันก็จะไปติดทางนั้นเราก็ตาองอยเดินมือกับให้มันหยุดสายการห้าสิบห้าสิบปัญญาห้าสิบสมาธิห้าสิบ่าสงสัยโยมจะต้องเพิ่มปัญญามากกว่านี้ค่ะโยมคิดว่าโยมไม่ได้แบ่นปัญญาถึงขนาดห้าสิบมาค่ะอยู่ในสมาธิมันเย็นสบายเบาุ้งไปหมดเลยค่ะใช่เขาเรียกว่าติดสมาธินะ ค่ะมันเนียนละเอียดสว่างกระจ่างไม่เคยเป็นอย่างนี้ไม่เคยค่ะน่าจะต้องค่ะน่าจะต้องออกมาทํางานเยอะๆค่ะพิจารณาตใจนะพิจารณาอนัตตานีค่ะห้าสิบห้าสิบใช่ไหมคะอาจารย์ห้าสิบห้าสิบค่ะกะลังดีห้าสิบห้าสิบค่ะค่ะโอเคหมดคําถามค่ะขอบคุณค่ะสาธุสาธิรักสำบการงเยอะหมืนกั ติดอะไเนี่ยลักษณะติดยาวันวะ <Yeah. S 2> ติค่ะกลาวนมาสการค่ะอาจารย์ยมปุ้ยค่ะ uh, สบายดีค่ะยัอยู่ยยบ้านยังยัทำงานอยู่บ้านค่ ะ, อ ย, คะอยู่บ้านค่ะเพราะว่าบอกแล้วว่าจะถือศีลจะอ๋อพระพุทธเจ้าแล้วว่าเรือเ่อกที่จะเดินทางธรรมก็เลยในช่วงเลยเวลานี้ก็ใช้เวลาเดินทางธรรมอย่าง เ, เต็มที่นะฮะแต่ว่ามาช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานี่คือว่ามันเป็นอะไรไม่รู้คือรู้สึกว่ากลางคืนมันจะปฏิบัติดีแต่ว่ากลางวันนี้มันจะชอบง่วงนอนหรือมันจะร้อนก็ไม่ทราบนะคะเพราะว่า uh ที่นี่ร้อนมากค่ะแต่ว่าก็ไม่เคยทิ้งในการปฏิบัติค่ะนั่งนั่งสมาธิตลอดแล้วก็มีบททดสอบเข้ามา เจอบททศสอบเข้ามาโดยที่ว่าเราตั้งจิตว่าจริงๆแล้วอะถ้าเป็นเมื่อสมัยก่อนนี้เราจะต้องโกรธ ถ, ถ้าใครทํากับเราอย่างนี้แต่ว่าเราถอ ย, ถ อ, ยออกมาหนึ่งเก้าแล้วเราก็บอกว่าเอออโหสีกรรมให้เขาดีกว่าเพราะว่าเราเราถือแค่ศินห้าสินแปดแต่ว่าท่านถือสินสินสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อเราก็เลยไม่ไ ม, ไม่ไม่อะไรกับท่านเพราะว่า ท่านผิดํำพูดเ อ, อ่อไม่ไม่ใช่เราผิดคำพูดก็เลยลืมลืมไปตะ อ, อือฮะแล้วพอดีมีเจอบททดสอบกับที่ทำงานเก่าด้วยค่ะคือเขามากลงเรากงกงเงินเราถามว่าเราจะไปต่อเรื่องต่อเราไหมไม่เลยเพียงแต่ว่าเราเอาหลักฐานสิ่งที่เขาพูดไม่จริงให้เขาโชว์ให้เขาดูแค่นี้ก็คือแค่นี้ค่ะดีถ้าทำว่ามันจบได้ก็ดีไม่มีเวรมีกรรมเลย ใช่ค่ะเราก็เลยเมื่อเช้าทำบุญไปแล้วใช่ใช่เมื่อเช้าก็เลยจุดธูปแล้วก็อโหสิกรรมให้เขาว่าสิ่งใดที่ข้าพเจ้าไม่ได้คิดที่จะทํากับท่านก็ขออโหสิกรรมสั้นขออโหสิกรรมให้เธอแล้วเธอก็ไม่ได้มาเป็นบอดชั้นได้นานเพราะว่าเธอไม่ดูอะไรแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเราก็ไม่อยากจะติดเวรติดกรรมกับผู้หญิงคนนี้เออ เขาคิดไม่ดีกับเราตั้งแต่แรกทั้งที่เขายังไม่เคยลงมือลงอะไรทํางานกับเราเราก็เลยคิดว่าเราหมดเวรหมดกรรมกับเขาก็โหสิกรรมให้เขาค่ะเพราะว่าเราเราคิดว่าถ้าเราจะสือสิทธิ์แล้วเราต้องชีวิตเราต้องไปไกลกันนี้แล้วอีกอย่างเงินแค่นี้เราไม่มาติดอยู่กับตรงนี้แล้วค่ะออืไม่ไม่ติดกันนี้ตายมันก็ไปไม่ได้จริงค่ะจริงค่ะอย่ามีเวรมีกรรมแ่ะก็มันเอาไปได้เมรกรรมมันเอาไปได้ ใช่ค่ะวันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเข้ามาแต่เข้าไม่ได้เลยบังอยู่รอบนอกบางีคนมันเยอะกล้วอะไรกลัวเดี๋ยวเวลามันจะไม่พ อ, อใช่ค่ะแล้วเออาทิตย์ไม่จริงจริงแล้วไม่มีอะไรค่ะพอพอเวลาแบบว่าเหมือนกับว่าจะมีอะไรงี่เหมือนกับจะทําผิดอะไรเหมือนกับจะมีเสียงมาจานคอยเตือนอยู่ตลอดก็เลยไม่ไม่ไม่ทำผิดปกติจะไม่ทําผิดสีนะ่ะ มีมีจะผิดก็ตรงที่ว่าตอนกินไอติมอะระอาจารย์นี่นะตากไอติมอะเอาไอติมมะแล้วก็เคยไปขอโทษพระพูดเจ้าบอกขอข้าพเจ้าขอขมาค่ะไม่ได้เคี้ยวค่ะเอาใส่ปากซึ่งไม่ใช่เฉยเคี้ยวไป้เคี้ยวให้จบกันกินก็เลยมันจะมาถามพระอาจารย์ว่ายมบาปไหม มันเป็นสินมันมันมันเป็นมันเป็นนมไงนมนี่ถือว่าเป็นอาหารไม่ไม่นมไม่นมอ่ะไม่นมอ่ะถ้าไม่มีนมไม่ไม่ไม่ผิดหรอทําเป็นน้ําตานเป็นแบบพับซิคิลยังไม่ผิดหรอกถาเป็นแบบไม่มีใช่มันเป็นอย่างนั้นแบบเปรี้ยวหวานๆน่ะแล้วมันเป็นแบบกับผลไม้เชอร์เบตก็เรียกเชอร์เบตใช่ไหมใช่ใช่ใช่ค่ะถ้าไม่มีนมก็ไม่ถือว่าเป็นอาหารใช่พยมจําได้ว่าพระจันทร์บอกว่า เออนมไม่ได้นะและน้ำผลไม้มันต้องบางอย่างนะมันไม่ทุกอย่างนะและทีนี้โยมโยมก็เลยเฮ้ยนึกขึ้นนึกออกมาได้ว่าเฮ้ยบาปเพราะว่าเฮ้ยเดี๋ยวรีบไปจุดทูบบอกว่าไม่ได้เจ้า <laughs> แต่ไม่คงไม่บาปนะคะพระอาจารย์ก็มไม่<ย>มบาปเพาดยวไม่เดา๋ยไม่ได้บ<ต>ุญเนี่ยถ้าไม่ได้รักษาศีลมันก็ไม่ได้บุนะแต่ไม่สีอ คือถ้าไม่ได้นนไม่ไไม่ได้สินสิเข้าหนะถ้าไม่ได้รักษาเราถือว่าไม่ได้ดูลนะถ้ารักษาก็ได้แต่ไม่บาปใช่แต่ยมรักษาแล้วาแปดสินอ่ะแปดข้อนะออฮาละยมก็กลัวว่ายมจะบาปนะยมก็เลยไปบอกกับพระพุทธเจ้า ว, ว่าขอขอขมาโยมไม่ได้เคี้ยวยมยมยมใส่ปากละกลินไปเลยเออเหมือนกันอ่ะไม่เคี้ยวไม่เคี้ยวมันก็มันก็เผ็ดอยู่ดีนะ ผิดหรออะแล้วพอาจารย์แล้วการเคี้ยวน้ำแข็งนี่บาปไหมคะถ้าเป็นน้ำแข็งไม่บาปหรอกมันไม่ได้อยู่ที่เคี้ยวไม่เคี้ยวมันอยู่ที่ว่ามันอะไรที่เราเอาเข้าปากมันจะถ้าเป็นขอห้ามห้ามมันก็บาปมันจะจะเคี้ยวไม่เคี้ยวมันก็มันก็ผิดไม่ใช่บาปหรอกเพราะสินข้อนี้มันไม่ได้ทําให้เราบาปข้อของนี่มไม่ได้ทําให้เราบาปถ้าเรารักษาได้มันก็ทําให้เราได้บุญ ถ้าเราไม่ไดร้รักษาเราก็ไม่ได้บุญทั้งนั้นแหละไม่บาปไม่เหมือนสิ่งข้อหนึ่งถึงหนึ่งถึงห้านี่บาปเข้าใจค่ะโยมก็นึกว่าหก <6 S 2> ถึงแปดนี้ถ้าทาได้ก็บุตก็ได้บุญถ้าทําไม่ได้ก็ไม่บาปนะาชนั้นใช่ทีนี้โยมก็เลยเปลี่ยนใหม่อ่ะมอเอ า, ละ เ, อาละเดี๋ยวจะกินไอติมต้องกินก่อนเที่ยงแล้วไม่เอาละวันนี้นนนนใช่โยมไม่เผลอเผลอไปกินว่าโยมโยม วิตายแล้วบ้าเงี้เลยว่าโอ้ยสินเนอะคิดมากเลยอ่ะตินตกเลยยินตกไวสองวันโอเคค่ะพอโยมถวายบุญที่โยมได้กระทาความดีถวายไม่ได้หรอกของไยของผมไทยของมันยถวายให้พระอาจารย์ค่ะถวายไม่ได้ถวายไม่ได้ค่ะ ขอให้พระอาจารย์สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะสาธุค่ะขอให้เราไรวยถูกไว้ทุกวันนะค่ไม่กล้าซื้อไม่กล้าซื้อวะพะอาจารย์พราอาจารย์ให้พอย่างนี้มไม่เอาแล้วไม่ซื้อแล้วโอเคขอบพระคุณคพระอาจารย์ครรคุณดวินคุณดวินอยู่ที่ไหนคุณดาวิน ครับสวัสดีครับอาจารย์อยู่กรุงเทพครับพหลำสองครับมีอะไรไหมครับอาจาครับจะสอบถามความเข้าใจะครับในเรื่องของธาตุรู้ที่อยู่ในโลกที่ประคับกับกับโลกมนุษย์เราเนี่ยเราจะมีขันท่าอยู่ใช่ไหมครับคือโนกมนุษย์ได้มีขันสี่ ร่างกายมีทั้งสี่มีเอ่อนเปนมีหน่งขันมีรูปประขันร่างกายเป็นรูปประขันแต่มีทำด้วยธาตุสี่ดินน้ำลมไฟสำนักทิพ์นี้มีธาตุรู้แต่ในธาตุรู้มีมีขันสี่มีนามขันสี่มีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่ในธาตุรู้อาจารย์ล้วถ้าเราเอาสติเนี่ยสติกับตัววิญญาณนี่ตัวเดียวกันรอป่ครับอาจารย์ พอตัวตัวกันวิญญาณนี้เป็นตัววิญญาณนี่มันมีสองสองความหมายวิญญาณที่มาเชื่อมตัวจิตที่อยู่ในโลกทิพย์กับร่างกายนี่เรียกว่าวิญญาณทางตาขุมจมูกมือกายครับส่วนที่วิญญาณในตัวนึ้นหมายถึงเวลาที่จิตอยู่เวลาจิตอยู่โดยที่ไม่มีร่างกายที่คนตายนี่เราก็เรียกจิตนึก ว, ว่าเป็นดวงวิญญาณไปแล้วถ้าเราเอาสติไปจับ ไปจับเจอที่ธาตุรู้เลยเนี่ยมันเราไม่ต้องไปจับที่ธาตุรู้สติเรามีไว้จับจับที่ที่ร่างกายหรือที่ที่ลมหายใจเพื่อให้เราหยุดความคิดสติมีไว้เพื่อเราควบคุมความคิดอยุดความคิดตัวลู้ไ ม, ไม่เป็นปัญหาเนะยตัวปัญหาคือตัวคิดเราต้องหยุดความคิดให้ได้เพราะความคิดส่วนใหญ่เป็นคิดไปทำกิเลสที่ไปทําให้เราทุกข์ทำให้เราวุ่นวาย เราจะมาฝึก ส, สติด้วยอาศัยให้สติอยู่กับกรรมฐานกรรมฐานข้อใดข้อหนึ่งเช่นอยู่กับพุโทโธก็ได้นี่ก็เป็นกรรมฐานอยู่กับลมหายใจก็ได้อยู่ทกี่ตีความตายก็ได้นั่นคือความตายได้อยู่กับอาการสามีสองของร่างกายก็ได้อันนี้เรียกว่าไปกาจารสติครับพอเราเราฝึกอยู่คิดบ่อยๆเข้าคระประดับทีนี้เนี่ย เมื่อก่อนนี้ผมจะคิดเลขคิดเลขในใจได้นะครับแต่เวลาออกจากสมาธิใหม่ๆเวลาเราไปคิดคิดเลขในใจเนี่ยมันจะหายวับไปเลยครับอาจารย์ใช่เมื่อจิตมันหยุดคิดเนี่เวลาเข้าสมาธิมันก็หยุดคิดพอใจมันกลับมาที่ใหม่ต้องใช้เวลาสักนิดให้มันปรับตัวหน่อยแล้วไอ้ตัวขันห้าเนี่ยกับตัวอวิชานี่มันมันตัวเดียวกันหรึเปล่าครับอาจารย์อ๋อไม่ใช่เพราะตัวกัน ขนานธคือร่างกายของเรากับวิทยาสัญญาสังขารวิญญาเป็นขันธ์ห้าวิชาที่มันเป็นตัวที่อยู่ในจิตของเราที่มันมันไม่ใช่เป็นตัวมันเป็นความหลงมันมเป็นความไม่มีความรู้มันคนโบราณที่ไม่รู้เรื่องโลกเลไม่มีความทูทางวิทยาศาสตร์ก็เลยไปคิดว่าโลกที่มันแบ่งนี่คป็นว่าวิชาคือความไม่มีปัญญาความไม่มีความรู้ที่ เราบอกความเป็นจริงเหมืนคนที่ไม่ไปเรียนหนังสือนี่ก็เลยเป็นคนที่มีอวิชชาคนที่ไปเรียนหนังสือก็เป็นคนที่มีวิชาครับทีนี้พอเราได้สมาธิแล้วเนี่ยเราก็ค่อยๆใช้ปัญญาในการที่จะที่คาตัวอวิชชาตรงนี้แล้วเราศึกษาธรรมชาติของขันห้ามันเป็นอย่างไรนะมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันเป็นตัวเราหรือเปล่ามันไม่ใช่ตัวเราเอนอะไร เป็นการศึกษาขันห้าเพื่อให้เกิดปัญญาขึ้นมาตามหลักที่พระเจ้าสอนหมอขันห้าไม่ใช่ตัวเราขันห้าเป็นของไม่เทีย่ยงนี้มันจะมีมันจะมีธรรมะที่สามารถปรุงแต่งได้กับธรรมะที่ปรุงแต่งไม่ได้ใช่ไหมครั บ, บญญา อ, อาจารย์คือเขาเรียกว่าเข า, าสังขารที่ ทำมาที่เป็นสังขารนะทำมาที่ไม่เป็นไม่เป็นสังขารเป็นเขาที่ไม่ใช่เกิดจากการปรุงแต่งของที่เกิดจากการปรุงแต่งก็คือร่างกายเนี่ร่าการเกิดจากการปรุงแต่งเขาธาตุสี่ในน้วลงไฟครับการทำทำมาที่ไม่ไม่ไม่ได้เกิดจากการปรุงแต่งก็คือธาตุต่างๆเนี่ยธาตุดินแล้วลงไฟมันเป็นธาตุมนล้วนมันไม่ได้เกิดจากการปรุงแต่งพระอริยบุคคลนี่คือเขา เขามีจิตไปอยู่ในตั้งอยู่ที่มิผ่านหรือปรเปล่าอาจารย์อ๋อไม่ใช่หรอกถ้าญาตบุคคล น, นี้เขาเป็นจิตที่เข้าใจธรรมชาติแล้วปล่อยวางไม่ไม่ไปยึดเปติดไม่เป็นรูปเป็ น, ปนปอยากก่างอะไรกะเห็นว่าธรรมชาตินั่นเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่ควบคุมบังคับไม่ได้เช่นรูปเสียเกศลอนลามยศละเสรนี่มันเป็นธรรมชาติที่เกิดแล้วก็ดับไปจริงแล้วก็วเสริ ก็เลยไม่ไปยึดไปติดไม่ไปมีความอยากได้ตัดความอยากไดาจิต ก, ก็เป็นนิพพานขึ้นมาแล้วคำว่าสัตว์แต่ว่ า, าพาระอาจารย์ก็นัะเ พ, <อ>า พ, พราะเพราะรูว่าทุกอย่างเป็นทุกข์ก็เลยสัตว์แต่ว่าไม่ไปยุบประมาณให้รู้เฉยแล้วรพระอริยะจะมีความคิดไหมครับพระอาจารย์ครับมีก็เหมือนก็ยังมีคันห้าเหมือนเดิมแต่ว่าแทนนี้ยังมีกิเลสวิชาก็มีปัญญาแทน ก็มีครับผ้าจ่ายครั บ, ขรบอดดข้าใจไหมที่ถามวันนี้ตอบได้เข้าใจไหมเข้าใจครับโอเคน ะ, ะทีนี้สิ่งที่เราต้องทําคืออะไรสร้างปัญญาขึ้นมาใช่ไหมสร้างสติขึ้นมาเ<ะ>นีน่ยนะครับอั่นคือสิ่งที่เราต้องออกไปทํราความรู้ต่งางๆที่เรารู้อนี่มันเป็นมันมยังไม่เกิดเป็นประโยชน์มันยังไม่เป็นปัญญาของเรามันยังเป็นปัญญาของคนอื่นนออมาจดจำไม่ใช่เฉย เราต้องสร้างสติแล้วก็ศึกษาด้วยปัญญาของเราเองต่อไปจนมันเข้าไปในใจเราจจ เ, เราเข้าใจแล้วปล่อยวางมันได้ถ้ามันเข้าไปในใจเราเนี่ยมันก็จะอยู่ทั้งเวลาที่เราทําสมาธิแล้วเวลาที่เราออกจากสมาธิใช่ไหมครับอาจารย์คือมันเป็นความรู้ที่เราจะไม่ลืมถ้าเป็นปัญญาคครรัับบถ้ามันเป็นความรู้ที่เราจดจำบางเรื่ได้นเนี่ยถ้าพูดางนี้เดี๋ยวส อ, องสามันก็กลับมาถามใหม่นะ ล, ลืมไหมนะ แต่ถ้าเป็นปัญญามันเข้าใจแล้วมันก็จะไม่ลืมครับโอเคนะขอบคุณครับทายใจครับอันนี้คุณจูนจูนอยู่ทีไหนเอ่ยจูนนี่ชื่อผู้หญิงเนี่ยแตหน้าเป็นผู้ชายน้อมกลับนมัสการพระจำไหมค่ะผู้หญิงจะอค่ะผู้หญิงอ่ะผมใช่บันค่ะวันีหนูจะมารายงานผลการปฏิบัติธรรมนะคะ อ่ามามาเมื่อวานนี้หนูแบบไม่สบายแล้วก็แบบปวดเอวมีไข้ขึ้นปวดท้องอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยแบบมันมีความทุกข์แบบเหมือ น, นยกับว่าใจมันไปเกาะกับพวกมันมันทรมานใจอะไรแบบเนี้ยค่ะทีนี้หนูเลยลุกมาเดินจงกรมแป๊บนึ่งอะค่ะหนูก็เลยเห็นว่ากายกับใจแบบเหมือนกับว่าเห็นแค่แป๊บเดียวค่ะเหมือนกับว่าใจมันห่างไจากกายแล้วแบบรู้สึกเลยว่ามันมีความสุกอย่างเงี้ยค่ะ แต่ทีนี้นี่แต่ทีนี้หนูมันมันเข็นแค่แป๊บเดียวนะคะทีนี้แต่หนูไม่รู้ว่ากําลังมันจะไหนแบบหมืมีสมาธิมีสติแต่แต่จากจากที่หนูทุกอย่างมันมันมีความสุขมันก็แบบไม่ต้องทานยาอย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็แบบชวนได้ใจ่เราเปนอเบกขามันก็วางเฉยได้ไม่ทุกข์กับมันก็เลย วันนี้หนูก็ปวดท้องนิดนี้ก็ไม่ได้ทานยายนะอะไรอ่าถ้าเรามีธรรมะสวดแล้วไม่ต้องทานยาก็ันนะ ม, มีสมาธิมีปัญญาแยกร่างกายออกจากใจได้มันก็ไม่ทุกรู้ว่ามันเป็นคนะเป็นคนละคนกันเรื่องของร่างกายก็เรื่องของร่างกายเรื่องของใจก็คือใจก็ต้องสงบใจไม่ไปเกิดความอยากขึ้นมาอไม่มีคำถามแล้วออ่ทำไปเรื่อยๆนะปิดไปเรื่อยๆทำพอถูกทางแนละ้ว กับคุณอาจารย์เะค่ะอาทุไปที่คุณพลอยคุณพลอยครับลูกสาวเลยลูกสาวชื่ออะไรจ้าไปที่สุณสมบัติค่ะชื่ออะไราาค่ะะอาจารย์ไปที่เทย์นชันรชื่อแล้วกินค่ะชื่อน้ำทิพย์เลยเทบค่ะเทบผ้าค่ะเทบผ้าเทบผ้าค่ะเทพผ้าพ เพป้าค่ะเอน้อนอาวันนี้มากราบพระอาจารย์ค่ะแล้วก็จะมาจะร้องไห้อ่าจะมาขอบคุณพระอาจารย์ค่ะเพริีว่ามีเพื่อนนะคะเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์ค่ะแล้วเขาก็เหมือนเขาอยู่กับหนูตลอดค่ะคือหนูป่วยค่ะเหมือนแบบ ที่ที่เขาเคยมาถามพระอาจารย์ค่ะที่บอกว่าเป็นซึมเศร้าเพราะว่าแบบเสียพ่อการพนานนะคะก็คือเอื่อหนูเองเอแล้วก็คือจริงๆตอนแรกเป็นซึมเศร้าหลังคลอดเหลือหลังค่ะเพราะว่าแบบอา่ารูตัวช้าะค่ะว่าเป็นซึมเศร้าหลังคอแล้วทีนี้มันก็เลยเหลือหลังมาแล้วก็พอผ่านมาสกาสกประมาณประมาณเอลูกได้ประมาณสิบเอ็ดเดือนนะคะพ่อก็เสีย แล้วหนูก็แบบเหมือนเผยไปเลยแบบเสียรักไปเลยนะคะไม่ร้องไายไม่อะไรเลย <Okay. S 1> แล้วก็ทีนี้พ่อเหมือนคือรักษาซึมเศร้ามาประมาณตอนนี้เข้าปีที่หกแล้วคะ่ะอาจารย์แต่ว่ามันมีช่วงหนึ่งที่แบบเหมือนตอนที่ลูกเขาเล็กๆเกนี้ยคะ่ะเราก็แบบเหมือนทีทำมาไปไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไรพอตอนนี้เนี่ย คือปีเนี้ยค่ะเพิ่งกลับมาแบบพยายาที่จะอยู่กับธารมะให้มากขึ้นเนี้ยค่ะก็ก็เรื่อดีขึ้นแตไว้ช่วงช่วงปีที่แล้วนี่เป็นค่อนข้างหนักเลยค่ะด้วยอาการแของโรคด้วยเลยนะคะแต่ว่าปีนี้ดีขึ้นแล้วแล้วก็เออเหมือนมันจะมีเขาเรียกว่าหนูพยายามที่จะจะไม่เหมือนกับ พยายามที่จะไม่ไม่อารมณ์ร้อนใส่รูปหรือว่าอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าเหมือนบางทีพ่อเขาค่อนข้างจะแบบอย่างงี่ายแล้วเขาก็จะเหมือนติดติ ด, ตดอารมณ์ร้อนจากพ่อเขามันบางเลยนะคะคือเรามีวิธีไหมที่ส จ, จะทําให้เขาแบบว่า c า l m down แล้วก็ให้เราแบบจริงๆหนูก็ไม่ค่อยไม่ค่อยดูเขาเท่าไหร่ก็เราดูว่าก็เราดูว่าเราทำเราบอกเขาแล้วก็ฟังมย ถ้าก็ไม่ฝันก็ก็ช่วยไม่ได้ก็ต้องยอย่างไรอย่าไปายากให้เขาฟังเราก็ต้องก็ต้องปล่อยเขาไปไปตามความควจริง<อ>ของเขาถ้าเราอยากจะไปวังเขาเราก็จะเครียดเราก็จะทึ่มขึ้นมามเราต้องเข้าใจธรรมชาติค่ะว่าเขาเป็นอย่างนี้เราก็คอยพยายามประคับประคองเขาไปเท่าที่เราจะทําได้แตถ้ามันมันมันช่วยไม่ได้เราช่วยไม่ได้ไม่ได้ แต่เราอยาไปทุกกับเขาเาใจไหมอืมอเข้าใจคือเหมือนบางทีเราเรารู้สึกว่าถ้าเด็กเขาเขามีอารมณ์แบบเหมือนมั่โงโมงง่ายหนุ่มอิงง่ายมันก็จะดูแบบนิทานวัดเนี่ยค่ะเราก็ไม่อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันเป็นธรรมาชาติของเราจะทำอะไรได้คนเราแต่คนมันมีมีอดีตกรรมมาไม่เหมือนกัน ทำกรรมมาไม่เหมือนกนันอะไรมีขอเหล่านี้ติดตัวมาไม่เหมือนกันงั้นก็พยายามสอนเขาว่าล้กันพยายามให้เขาลดอารมณ์ต่างๆลงเท่าที่เราจะสอนเขาได้เขาจะรับได้ไม่ได้นั้นก็เป็นเรื่องของเขาแต่ว่าถ้าแบบว่าเหมือนตอนที่เขาแบบเด็กๆอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าสมมุติว่าคือไหนที่หุกไม่สวม่วนนนเขาก็จะแบบไม่นอนเลยนะคะคือต้องเหมือนส่วนบุกให้เขาฟังอะไรเงี้ยแล้วก็พอเขาเริ่มโกหน่อยค่ะมันก็มีช่วงหนึ่งที่เขาแบบเริ่ม เริ reborn, Connie, them, the like ่มสวดตามได้บ euh, so right. ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเหมือนพ่อเขาเริ่มสวดมนต์ก่อนนอนะคะแล้วพ่อเขาก็ได้ยินเนี้ยพ่อเขาก็แบบเหมือนไม่ไม่ให้เขาสวดนะคะพ่อเขาก็ให้เปลี่ยนเป็นแบบเหมือนแค่กาบหมอแล้วก็พุกกระหอให้นอนหลับหันดีิพแค่เนี้ยค่ะคือคือเหมือนกับเขาเขาไม่อยากให้เราพาลูกเข้ามาในทางทางหมาบกันป่ะก็ถือว่าเป็นเป็นกรรมขอูกไปแล้วกัน มีคนมาให้เข้าสู่ทางที่ดีแล้วก็มีมาแล้วขวางก็ทำได้ก็อยากไปทำรอะไรก็แล้วแต่เข้าที่เอาไปก็ไม่เป็นไรหรากเรื่องแค่นี้เรื่องจิ้นจอยเด็กมันถ้ามันอยากจะสวดมันก็สวดของมันเองเลยนี่เลยบางทีป้าแม่เราก็บางทีก็ไปยุ่งกับชะตาชะตาชีวิตของลูกมากเลยไปแม่มองดูว่าเขาจะไปทางทิศทางไหน ใช่ถ้าเขาไปในทิศ ท, ทางที่ดีก็ปล่อยเขาไปสิเข้าไปในทิศทางที่ไม่ดีก็ต้องพยายามสอนพยายามห้ามครับแต่พอ่อจากตัวผู้ใหญ่ไม่ดีเองผู้ใหญ่ชอบกินเหล้าชอบไม่ชอบเข้าวัดอย่างเงี้ก็เลยไปสอนเด็กไม่ให้เข้าวัดด้วยก็ช่วยไม่ได้ใช่ไหมพระเจ้ายราอยู่กับคนพาลให้อยู่กับคนจารย์คนพาลก็คือคนนอก อยู่กคนง้อของง้อก็พาเราไปทางกุมง้มันก็ไม่ยอมให้เราสวดมนต์นนะใช่ไหมแต่ทำไงได้มันก็เป็นกรรมของของของเราทั้งสองที่ต้องมาอยู่กับเขาเนี่ยก็ต้องก็ต้องพยายามอย่าไป ม, มีเรื่องกับเขาพยายามอะไรก็เอาไปเวลาที่เขาไม่อยู่เราก็สอนของเราไปก็ไม่ต้องรับรู้เวลาเขาอยู่ก็อย่าไปขัดใจเขา เย่าไปเฟ้องก็ยัง อ, องอยู่ด้วยกันนะเข้าใจไหมเข้าใจค่ะแต่อย่าไป ม, มีเรื่องกันอย่าไปทะเลาะกันอย่าไปเอแพร่ชนะกันยอมหยุดเยน็นออตอนค่ะพระอาจารย์ตอ น, นก็ยอมยอมหมดแล้วค่ะก่อนหน้านั้นมีแบบมีทะเลาะถึงขั้นที่แบบใจใหญ่กันเลยค่ะแต่ว่าเหมือนเขาก็ไม่ยอมแบบถ้าถ้ายากเขาก็จะไม่ให้ลูกอะไรอย่างเงี้ย ก็เต้องยอมอยู่อย่างเนี้ยไปครอย่างนี้ยไปอย่างไดอย่างดีกว่ามีเรื่องมีราวกันนะอี่าลงเทกองรอว่าควบคุมมาเราไม่น่าถึงทุกตีทํร้ายกันได้นะมองถึงมองภาพรวมรวมมองกว้างๆอย่าเอาแต่ใจเราอันนี้ก็ใช้พื้โทพื้นโทรสวดมนไปภายในดันข้างใตาได้ยินก็ได้บอกให้ลูกศิษย์ดัใจไม่ต้ออกเสียงก็ได้ เพราะว่าทุกวันนี้เวลาที่หนูจะสวดโมหรืออะไรเงี้ยค่ะก็คือแบบต้องเป็นนอนนะคะแล้วก็สวดไปค่ะเพราะว่าถ้าถ้าสวดให้เขาเห็นหะเง้ยเขาไม่ชอบเาไม่ชอบเด็อได้ต้องต้องในใจอย่าไปให้พ่อได้ยินนะต้องใจตาสนสียี เป็นเซอร์โมสสวยมากน่โอเคนะมีอะไรไหมไม่ไม่มีแล้วค่ะขอบคุณพระอาจารย์มากเลยค่ะโอเคถ้าเราต้องอยู่ร่วมกันก็อยู่ด้วยสันตินะอย่าอยู่ด้วยกันด้วยการทะเลาะเบาะแว้งกันวิธีที่จะอยู่อย่างสันติก็ต้องยอมอยู่เย็นนะใช้สูตรจางย้วโอเคนะบายบาย เออคุาปัอะไรสูตรสามยอมหกสองสามยอม p l u สัญญา p l ั s ต้องค่ะก็จแฟังที่ฟังมาก็ดีค่ะแล้วก็ของนูเองก็โดนกิเลสหลอกที่บอกพระอาจารย์นะคะว่าเกเรหนีไปเที่ยวด้วยแล้วก็ ไปแต่ว่าก็อ่างที่บอกว่าไปก็ไม่ลืมไปวัดอะคะเป็นวัดป่า แ, วแถวที่ที่หนูไปพักชื่อวัดป่าเขาเขาบรนจบเจ้าค่ะทีเนี้ยมันตอนกลางคืนนะหนูกล่าว่าหนูจะนั่งสมาธิแล้วหนูมาก็เผลอไปดูคือพาน้องๆในออฟฟิศไปเที่ยวอะคะ่ะแล้วเขาเล่นเล่นไพ่กันหนูก็หนูก็ <laughs> <laughs> กไปดูแต่หนูไม่ได้เล่นนะคะว่าหนูเล่นไม่ก <laughs> ลมอยู่แล้วหนูก็ไปดูเขาเล่นแต่ว่าตอนเขา ตอนที่เขาเล่นหนูก็ดูให้มันแบบเออคนนี้ได้คนนี้เสียคนนี้ได้คนนี้เสียถูกกินเงินแล้วหนูก็แล้วหนูก็กําหนด ก, กําหนดลมหายใจนะคะจนแบบหนูไม่ไหวแล้วก็กลับไปนอนในแบบไปนั่งสมาธิสวดมนต์ค่ะแต่ว่าก็รู้สึกว่าอา้าวตั้งใจว่าจะตั้งสมาธิตอนกลางคืนนี่น่ะตอนเช้าว่นหนูก็รีบแบบไปวัดเลยคนะ่ะแล้วไปนั่งสมาธิที่วัดค่ะก็กิเลสกิเลสเล็กๆน้อยๆมันก็ทําให้เป็นกิเลสใหญ่ได้จ้ะคะ ถือว่าเป็นบทเรียนแล้วกันบทเรียนบทเรียนสอนใจค่ะค่ะแต่ว่าคําว่าคงคงไปไม่ไม่ไม่ไปแบบนี้ยค่ะเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วมันมันทําอะไรได้ยากอี่ยไปคบคนพาลเนี่ยค่ะขอบคุณเจ้าค่ะเปวิวสวัสดีพระจังปิดทางแล้วกลับมาเยี่ยมบ้านอาติดเทอมค่ะตามเดิมโอเค ค่ะเดี๋ยวหาเวลาไปพาลูกไปฟังธรรมค่ะอาจารย์เจ้าค่ะดีขอโนะคุณก็ก็ฟรีก็ฟรีก็ูรับทานนี่มามามารับฟังครับไม่ไม่ก้าวหน้าแต่ก็ไม่ไม่ถอยครับอาจารย์เรายังนึกถึงที่อาจารย์สอนอยู่แล้วก็ ถ้ามีเวลาก็จะไปปฏิบัติครับช่วงนี้งานเยอะแล้วก็รับภาระต้องฝึกนักศึกษาฝึกงานสองคนด้วยครับตอนบ่ายก็เลยปกติคือฟังทันตลอดก็คือจะได้ฟังทำน้อยลงแต่ว่ารู้สึกว่าที่อาจารย์ได้สอนแล้วก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ถอยหลังครับแต่ว่าไม่ได้เดินหน้าแต่ว่ารู้สึกว่าเราโอเคครับโอเคก็ ท, ทําเพิ่มที่เราทำได้แล้วตอนนีถ้าใช่ ครับอาจารย์โอเคไปเจอคุณเซร์ินดนเชาีรบ้านเจ้าค่ะยังเจอคุณจะาทาวเจ้ทาวหรือเปล่าไม่เจอเลยอาจารย์พอดีว่าลูกสาวชื่ออะไรบ้างสจัลเจ้าค่ะอดีลูกสาวเขาเรียนจบมปลายแล้วค่ะแล้วก็ได้ยินข่าว จะไปเรียนต่อที่เซียร์โธ่ก็ยมก็ไม่แน่ใจเพราะว่ายมลูกก็เล่าให้โยมฟังว่าเหมือนเหมือนคุณสาเจาก็ยังมีปัญหากับทางความเชื่อของภรรยาอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็ก็ยังคงเหมือนเด mm ิม hmm. <laughs> แต่ก็ยมไม่ได้เจอเลยค่ะยมไม่แน่ใจว่าเขาจะไปเซียร์โธ่กับลูกเขาด้วยหรือเปล่าอ่ะค่ะ mm hmm. ค่ะ เดี๋ยวถ้าอย่างไงเดี๋ยวยมบอกเขาว่าอาจารย์ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องบอกพี่ถึงยมก็ไม่เห็นเขาในซูมิทติ้งภาษาอังกฤษ่อนาารไม่ไม่ต้องไม่ต้องไปพูดเขาไม่ต้องปากไม่ต้องได้ๆค่ะได้ค่ะได้อจะฟีลยังจะตี้อะไรอ๋อใช่ใช่ค่ะเพราะเขา e n น i ิ i v e นิดนึงพยมยมก็หายไปช่วงนี้งานยมมีความเปลี่ยนแปลงอะค่ะคือบริษัทเขาไปซื้อกิจการหลายกิจการมากมาย แล้วก็คงจะมีความคาดหวังให้เราซึ่งเป็นพนักงานเดิมเนี่ยต้องต้องทำซึ่งก็ตั้งขยันอยู่แล้วค่ะอาจารย์เขาก็เลยส่งยงไปทำงานต่างรัดค่ะอาจารย์แต่ครนี้พอไปค่ะพระอาจารย์ยงไปจะไปแค่ไม่กี่วันน่ะนะคะยงไปเซนต์ลูอิสมาค่ะแล้วก็ต้องไปฟังพวกสัมมนาต่างๆซึ่งคนที่เขามาพูดเนี่ยก็เป็นเหมือนกับเป็นเป็นเหมือนคนที่ประสบความสาเร็จในสายอาชีพ การทํางานเป็นที่รู้จักทั่วประเทศมีการทําหนังทําทีวีมีบทสัมภาษณ์เียนหนังสือคราวนี้เราฟังเสร็จเราก็รู้สึกว่าความสําเร็จทั้งโลกกับความก้าวหน้าทางธทำเนี่ยมันไม่สามารถมันเข้าเหมืนไม่ได้วัด ก, กันไม่ได้โ ย, ย, ยมโยมปักแล้วเหมือนกับคนฟังเนี่ยน่าจะเกินน่าจะเกินเกินพันคนนะคะแล้วก็คนที่มาทั้งหมดก็คืออยู่ในสายงานที่โยมทําทั้งหมด เป็นเหมือนมาจากทั่วประเทศอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็กล่าวถึงความสำเร็จ capitalism อะไรเงี้ยค่ะความก้าวหน้าความเปลี่ยนแปลงทำยังไงเพื่อใหอินดัสทรีให้มันซึ่งโยงฟังแล้วคือเราก็รู้สึกว่าเขาเก่งแต่พอมานั่งพอตอนเย็นมานั่งปฏิบัติแล้วเราก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่สิ่งที่เรามันไม่ใช่อะ่าค่ะอาจารย์มันเป็นความสา<ห>เร็จที่ไม่มีไม่มีรไม่มีศรสา ส, ส, นะสาระอะไรอยู่ในใจ ใช่ค่ะผอาจารย์แล้วเหมือนกันไปครั้งนี้มันมันต้องไปสร้างเน็ตเวิร์อะคะ่ะ hmm. แล้วทุกคนเนี่ยที่เขาติดต่อ hmm. เนี่ย hmm. เขาก็เขาก็มีความคาดหวังในตัวเราทางใดทางหนึ่งว่าเราจะสามารถช่วยเขา hmm. ให้ธุรกิจของเขาก้าวหน้าไปได้แต่ใจเรามันไม่ได้มันไม่ได้อยากไปทางนั้นนะคะผอาจารย์ใชเราต้องทำหน้าที่ของเราไปเราทำงานก็ทาไปเราต้องรู้จักแยกแยะ งานเปนงานทำมากเป็นธรรมนะพวกเราม ก, สก็สุดะนะคะก็พยายามทำให้ดีที่สุดแล้วก็ยังปฏิบัติอยู่แต่ยมก็รู้สึกว่าช่วงนี้มันไม่ค่อยก้าวหน้าช่วงนี้มันมีเรื่องกระทบมากมายอะค่ะใช่มีงานทำมันก็มันก็จะเป็นตัวควอยดูแลวความเจริญทางธรรมนะเจ้าค่ะแล้วก็มันเวลาที่มันเหนื่อยกายแล้วมันก็ธรรมะมันก็ไม่ค่อยมันก็ไม่มีผล มีการมากงานที่มา ก, ามากแต่หลายธรรมะก็ยังกดใช่ไหมโยมก็รอค่ะยงก็ฟังท่านพระอาจารย์บอกว่ามันยังไม่ถึงเวลานะมันยังไม่ถึง เ, เราขึ้นทางด่วนยังไม่ได้เราก็ทําเท่าที่ได้ติก่อนออ ก, ก็ก็ยังปฏิบัติอยู่ทุกวันค่ะยังไม่ไม่เลิกแล้วก็ที่สําคัญตอนนี้ที่วัดแถวบ้านโยมอะค่ะมีท่านพระอาจารย์เอ่อบซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงปูชาท่านมาจำพรรษาอยู่ที่นี่สามสี่เดือนแล้วก็มีสอนปฏิบัติทําทุกวันเสาร์อย่างเงี้ยค่ะ ยมก็<า>ไปเป็นชาวต่างชาติหรืว่าเป็นชาวไทยเป็นเปไทยเจ้าขาเป็นคนไทยแล้วก็ค่ะแล้วท่านก็มาสอนเนี่ยสอนจริงๆแล้วจริงจริงแล้วสอนมีมีองค์ออกมีมีท่านพระอาจารย์ท่านอื่นเอมาสอนอยู่เรื่อยๆค่ะซึ่งเหมือนก<ช>ับวัดเขาเพิ่งจะเริ่มเปิดเต็มที่พอดีหลวงตาท่านที่ท่านเป็นเจ้าอาวาสท่านอายุเก้าสิบแปดพรรษาท่านก็เลยไม่กล้าให้ ไม่กล้าเปิดปัดเต็มที่ในที่ช่วงที่ผ่านมาแต่คราวนี้เนี่ยพอพอเริ่มมีท่านพระอาจารย์จากจากจังหวัดต่างๆทยอยเดินทางมาท่านก็เริ่มเปิดเปิดเหมือนกับว่าให้ผู้สนใจเข้ามาปฏิบัติธรรมเข้ามาปฏิบัติได้ทุกวันเสาร์แต่ว่ามันก็แค่สองสามชั่วโมงอะค่ะพระอาจารย์แต่ยมก็รู้สึกว่ามันยังดีกว่าที่ยังดีกว่าเพราะว่าพอไปถึงแล้วเจอกลุ่มคนที่มีความคิดแบบเดียวกันเ อ, อแล้วก็ท่านพระอาจารย์เขาก็จะมาสอนเกี่ยวกับว่า การพิจท่านจะสอนปัญญาเยอะมากเลยค่ะแล้วก็สอนเรื่องการเดินการนั่งอันนี้เราก็โยมก็ใช้พื้นฐานที่เรียนจากอาจารย์มามาเป็นพื้นฐานของโยมในการกําหนดอนาปนานสติแต่ก็นอกนั้นโยมก็ฟังการเรียนรู้ทางด้านปัญญามันก็มันก็ดีอะค่ะช่วยช่วยให้โยมเหมือนช่วยเตือนสติว่าเรามีกลุ่มคนอื่นที่ช่วยกันได้จะได้จะได้ไม่ไม่ลืมอะค่ะอาจารย์อช่พระเจ้าบอกให้กาะกลุ่มันคนค่ะ ก็ <G ül> คนคนที่ฉลาดคนที่ปฏิบัติธรรมอย่าไปอยู่กับคนที่ไม่ปฏิบัติธรรมค่ะก็ทำไปแล้วก็ปรับ <C HA> ไปตามสภาพเห <C HA> มือนขับเหมือนขับรถถ้ายังขึ้นทางเดินไม่ได้ก็ขับไปเรื่อยๆรถ <Y> um> ติดก็ติดไปยมก็แอบเสียใจยอะจพรยะยมรู้สึกว่าเออมันยังไม่ใช่ทางของเรามันยังไม่ถึงเวลาของเราแต่อย่างออม สมมุติว่ากลางคืนยมเหนื่อยมากยมก็หลับไปก่อนที่ตื่นขึ้นมาตีสองตีสามก็ขึ้นมานั่งปฏิบัติธรรมตีสองตีสามถึงตีสี่อะไรแล้วมาทำต่ออย่างเนี้ยยังดีแสดงว่ายังไม่ทอจริงยังไม่ทอจริงย้ย ท, ทิงท้งไม่ได้อะตอน แต่มันไม่ก้าวหน้าค่ะพระอาจารย์แต่ก็ไม่ยอมแต่ก็ยัง น, ยยงน้อยไม่ถอยหลังไม่แล้วนค่ะท่านพระอาจารย์ค่ะก็วันนี้ก็เข้ามาร่วมประพักนำแล้วก็เข้ามากลับคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะอ <c oughs> ่าถ <c oughs> ึคุณท่าเจ้าหน้าที่เป็งไงวันนี้จิ๊บฝากอะไรมาฝากจิ๊บ <c oughs> อ, อ๋อจิ๊บวันนี้ยังไม่ได้ฝากค่ะแต่เห็น <c oughs> ช่วงนี้เขาเอาพอดีลูกเขาต้องทําอินเทอร์นชิปแล้วก็จะต้องเดินทาง เขาดีซีทุกวันเขาจะต้องขับรถไปรับไปส่งเนี่ยเขาก็เขาก็เหนื่อยเหมือนกันนะคะแต่ก็เมื่อวานก็คุยกันเหมือนกันค่ะท่านอาจารย์เดี๋ยวแต่วันนี้ยังไม่มีข้อความใดมาคขอบคุณพระอาจารย์นะคะสาธุเจ้าจิ๊บเด็กเชียงรายกรรมนักสการพระอาจารย์ครับเป็นยังไงก็ปฏิบัติอยู่ครับพระอาจารย์ครับก็เตรียมปฏิบัติอยู่ครับทั้งตอนเช้าตอนเย็นครับพระอาจารย์ ก็ไม่จริงครับอาจารย์ครับวนี้เข้ามาร่วมและฟังครับแล้วก็มาน้องกับพระอาจารย์ครับผมสาธุครับท่านที่เป็นมาเลมุฒาการณ์ตั้งมรรคหลวงพ่อค่ะนี้ก็ไม่มีอะไรปฏิบัติเหมือนเดิมค่ะหลวงพ่อแต่ว่าแต่ว่ามัน มันจะรวมอยู่ตลอดเวลาค่ะหลวงพ่อมันเพิ่มมันเพิ่มเวลาให้ให้ให้เ ห, หมือนจะบังคับให้เข้าสมาธิอยู่ตลอดเนี้ยค่ะหลวงพ่อก็ดีข้สมาธิก็ดีค่ะแค่มันสงบไว้ค่ะก็มันจะพยายามให้ให้นิ่งให้สงบเหมือนให้มีสติอยู่กับที่เรากาหนดอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วก็แต่ว่าวันธรรมดาก็ต้องทํางานก็ ต้องหยุดพักเนื้อาหาันเพอให้เขาให้มันสงบคือความหมายมันบังคับมันบังคับให้หนูเข้าสมาธิงั้นหนูก็จะนั่งนิ่งนิ่งก็จะเป็นแบบนี้บ่อย<ะ> ที่เขาเผาศพที่มัน<อ>ไม่เกี๊ยเกี๊ยวอวัยวะทุกสิ่งทุกอย่าง <นะ S 1> มันจะ<อ>ติดตาหนูอยู่อะเขาอย่าลืมมองเห็นใครก็นมาว่าต่อไปก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะทั้งเขาทั้งเราค่<ส>ะนะมันจะได้ก้าวหนะ้าหน้าแต่สมาธิอย่างเดียวมันมันมันมันจะติดอยู่ที่สมาธิ <สะ S 2> อย่าไปทางปัญญาต้องพิจารณาร่างกายบ่อย พิจารณาความตายพิจารณาครามเจ็ดายได้ป่วยพิจารณาการทานทพอพอเห็นแล้ว<ม>ให้ให้สอนใจว่าพี่หนอนเราก็ต้องเหมือนกันหมดทั้งเราทั้งเขาไม่มีไม่มีใครยกเว้นค่ะถึงจะมีของบํารุงยังไงก็ไม่ค น, นทุกอย่างตายเป็นปมาเศรษฐีน่วยขนาดไหนก็อยู่อยู่ไปไม่ได้ตลอดตอดทาง ก็ต้องไปจบลงในวองไฟคืนไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างนี่ก็ไม่ีอะไรแล้ยาแต่สมาธิอย่างเดียวมันไม่มันมันไม่ฉลาดมันไม่ฉลาดด้วยพอแต่สมาธิมาก็ต้องคิดอยู่เรื่อยๆความตายความเจ็บไข้ในป่วยความไม่สวยงามของร่างกายการสามสิบสองนะให้ดีก่อนนะ ค, ค่ะคขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะคิวยาอยูคุณจ ะ, ออจะ่อนนงเเข้ามาครั้งแรกหรอเคยเข้ามาแนละ้วเคยเข้ามาครั้งหนึ่งค่ะพระอาจนานรย์นานแล้วค่ะนานนานแล้วเหมือนกันเพราะครั้งที่แล้วมากราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าเวลานั่งสมาธิเนี่ยพอครบชั่วโมงแล้วจิตจะทรายท่านพระอาจารย์ก็เลยแนะนําให้ลองสวดอิติปิโสเพราะว่าพุโทโธเอาไม่อยู่<ด>ก็ก็<ด>ยัง ยังพยายามอยู่ค่ะแต่ว่าพอครบถึงชั่วโมงเนี่ยมันไม่อยากจะทำอะไรครับมันเหมัอนอัตโนมัติออัอตโนมัมนติอั ต, ะตะโนมัติคือเหมือนว่าเราก็จะพยายมลืมตาโดยอัตโนมัติ ท, ทั้งที่จริงๆคิดว่าถ้าฝืนอีกน้อยก็คงไปได้แต่ว่ามันอัตโนมัติแล้วลืมตา ม, มาทีไรมันคืนหนึ่งชัวงง่วโมงพอดีลูกทีไปเลยพ่ะย่ะไปหมดกำลังสติมันหมดกําลังกำลังไปอ่าก็เลยเพิ่มสติขึ้นมาใหม่เพสติใหม่ มันก็อย่างนั้นก็เลยพยายามตอนนี้เช้าพยายามนั่งตื่นขึ้นมาเย็นกลับมาก็พยายามนั่งเพราะว่าพอมันนั่งสองชั่วโมงยังไม่ได้ก็เลยพยายามหาวิธีเพิ่มเพิ่มเพิ่มกําลังค่ะแล้วก็พยายามจะหาหาวิธีจริงๆว่าทํายังไงให้เจิญหนึ่งชั่วโมงให้ได้จริงๆค่ะอาจารย์ก็ไม่พูดเท่าก็จะโสดบนไปแล้วข่าวัาการย์หาดีสองแป๊ะจจะต้องลองอย่างนั้นบ้าง ค, ะาค่ะอาจารย์เพราะว่า มีความตั้งใจจริงๆแต่พอครบหนึ่งชั่วโมงก็มันเหมือนแบบบอกแล้วว่าจะออกแล้วแล้วลืมตาก็นูราริกาอ้าวชั่วโมงหนึ่งพอดีอีกแล้วความอยากความอยากมัน <c oughs> ออกมาแล้ว <c oughs> ใช่ค่ะ ต, ตัวต <c oughs> ีตำรวจกำลังก้น <c oughs> อนยาก็เลยออกมา <c oughs> ใช่ครับอาจารย์ครวนี้ก็ยมอาจจะสออนุญาตอบคำถามบางวันเนียยมจะเหนื่อยมากจากการทํางานเลยไม่รู้ว่าจริงๆเราควรจะพักผ่อนก่อนให้ให้ให้พอแบบหายง่วงแล้วค่อย นั่งปฏิบัติจะดีกว่าไหมเพราะบางทีมันแบบถ้าเรานั่งตอนเราเหนื่อยเนี่ยมันจะกลายเป็นสับ ป, ประโคมแทนมากก็คือผลที่ผลว่าทางไหนมันได้ผลดีกว่าก็ทางไหนค่ะน่าจะได้ก็จะจะจ ะ, จ ะ, จะยังคงปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆก็จริงๆช่วงหลังพอพยายามปฏิบัติมากขึ้นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในบางวันของการจะไปทํางานคือบางวันเบื่อมากพิการค่ะคือเหมือนไม่อยากไปทํางานเลยคือเหมือนกับว่า มันเบื่อที่จะต้องไปคิดในเรื่องทางโลกคือเหมือนเราอยากอยู่สงบที่บ้านก็ต้องก็ต้องคิดถึงผลที่จะเกิดขึ้นได้เราไม่ทำงานเราจะเอารายได้ไหนไหนใช่ค่ะพระอาจารย์ก็ก็ต้องก็ต้องสร้างน้ําหนักบาลานซ์มันตรงนั้นใช่ค่ะก็คงต้องเป็นอย่างนั้นก่อนแล้วก็มีโอกาสได้ไปกราบพระอาจารย์ที่วัดมาแล้วครั้งนั้นได้หนังสือเล่นธาตุรู้มาอืมาอ่านดีมากเลยพระอาจารย์ ประทับใจทราบซึ้งมากค่ะที่ว่าจะต้องอ่านอีกสักรอบหนึ่งคือเป็นหนังสือที่บ่อย ก, ก, กันเลยมันจะได้ทําให้เราเกิดความเข้าใจถึงความเป็นจริงของของชีวิตเราว่ามันก็เป็นแค่ทางุดูนี่านุธาตทั้งหมดเนี่ยทตุหกธานุห้าเนี่ใช่ค่ะคือคือเป็นหนังสือที่อธิบายได้ยังบอกทุกคนเลยว่าเป็นหนังสือเล่มเนี้ยบอกเลยว่าแบบอธิบายได้จับใจมากถึงจิตถึงใจเข้าใจชัด แจ้งมางอย่างเงี้ยค่ะเป็นหนังสือที่ดีมากจริงๆว่าจ่าค่ะก็ก็จะพยายามปฏิบัติต่อไปค่ะวันนี้ก็เลยขอเข้ามากราบอาจารย์บางทีก็ฟังอยู่ข้างนอกค่ะแบบว่าสูงคนเยอะเข้าไม่ได้เออบางทีเราจกัดจำกัดเวลาว่าเดี๋ยวมันจะยืดกเด็คกคนต่อค่ะขอให้อาจารย์ทักทแข็งแรงค่ะออขอ ค, ค่ะคถึงไปให้แม่ลูกสา ทางนี้มาท้ายแถวเลยมันหลุดไปเลยนตั้งต้นเข้ามาอยู่ยังไม่ประการนักวระับอาจารย์ทางนี้ที่วันนี้ฝนตกหนักค่ะแล้วก็ฟ้าแรงด้วยค่ะตันญาณเน็ตเร่ล่มค่ะเม่หลุดลอยค่ะอันนี้ให้ลูเก่อนค่ะสำหรับโยมนะคะอาจารย์ช่วงนี้จะมีงานมีงานเยอะหน่อยอะค่ะแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งที่มันเป็นบททดสอบ คือกลับไปแล้วก็ไปเจอเรื่องทําให้เราหงุดิดอารมณ์เสียลงแล้วก็รู้สึกว่าเรากําลังโกรธเรากําลังโกรธก็เลยใช้วิธีไปอาบน้ําแล้วก็มานั่งสมาธิมันไม่สามารถทําได้เลยค่ะจารย์ไม่สามารถทําได้เรารู้สึกว่าเราโกรธก็เลยนอนแล้วก็เปิดธรรมะของอาจารย์ปางมันมาตรงมันได้ถูกที่ถูกเวลาพอดีบอกว่าชีวิตของเราเนี่ยสร้างนไปเรื่อยๆแล้วถ้าเรามามัวอย่างเงี้ยะจุกโดมก็เลยลุกขึ้นปิดแล้วก็ลุกขึ้นไปเอางานมานั่งทํา เพราะว่าจาระรบอกว่ากรรมฐานมันมีหลายอย่างโดยการทํางานก็ได้เลยไปเอาดอกไม้มาหามาลอยมาไลา่แล้วก็ดูเข็มไปเรื่อยๆปรากฏว่าเข็มแรกทิ้งเปล่าๆเลยค่ะไม่ได้เรื่องแล้วคราวนี้เอาใหม่รู้ตั้งแต่หยิบเสียบเสียบไปเรื่อยๆเรื่อยๆพอมาดูจนมันนิ่งค่ะมาดูงานออกมาเป็นระเบียบเรียบร้อยบอกอ๋อมันเป็นอย่างนี้และอาการที่โกรธมันก็หายไปอ่ะค่ะอันนี้มันเป็นบททดสอบที่สามารถเอามาใช้ได้อ่ะค่ะ ใช่เรามีสติอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันทําให้เราเน้นเรื่องที่เราโกรธไปใช่ค่ะเรื่องก็เลยรู้สึกว่าเออเรากําลังจะโง่เรากําลังจะโกรธแต่เรื่องที่มันผ่านมาแล้วก็เลยโอเคผ่านแล้วก็ทีนี้ก็ตอนฟังธรรมฟังสนทนาธรรมระหว่างหมอวีอะค่ะวันอาทิตย์ที่บอกว่าการเดินจงกรมแล้วก็มันสามารถทําให้ดิ่งได้โยมก็อ๋อการเดินจงกรมที่เราทําไปแล้วเราเจอแล้วว่า ช่วงวันหนึ่งที่มันเดินในช่วงหนึ่งที่มันไม่คิดอะไรเลยอ่ะรู้จักเดินเดินเดินเดินอย่างเดียวมันเดินเหมือนกับว่ามันเราปั่นจักรยานลงจากเนินนะคะมันฟรีมันเดินไปเรื่อยๆใช่ใช่มันเป็นอย่างนั้นนะคะอ๋อก็เลยพยายามดูในหนึ่งเที่ยวว่าเราหลุดไปตรงไหนกี่เรียงแล้วพยายามกําหนดมันไปแล้วก็อ๋อมันแสดงว่าสิ่งที่เราเจอแต่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรอะค่ะได้คําตอบเมื่อการฟังทำเนี่ยค่ะอันนี้มอะไรงานอาจารย์ทราบค่ะ ดีอันนี้สองเป็นการฟังธรรมทำให้หายสงสัยค่ะแล้วก็เลยคิดว่าตอนนี้ไม่ไหวแล้วจะต้องหาเวลาไปฟังธรรมนากุติค่ะอาจจะไปปฏิบัติทําไม่ได้แต่หาเรื่องไปฟังธรรมนากุติก็ดีกว่านั่งฟังธรรมที่บ้านจะหาเวลาสักสามสีวันนะคะไปอะลองดูว่าจะไปถ้าไม่มีอะไรติดขัดนะคะอันนี้ขออนุ ญ, ญาตค่ะโยมเรียนแบบอาจารย์มาคือต้องมีท่าไปก่อน ใชาใช่ค่ะถ้าไม่มีเลยจะติดขัดยมจะไปวันที่ยี่สิบเก้าแล้วก็กลับวันที่สองค่ะอืจะไปถวายอาหารก่อนแล้วก็ไปฟังธรรมนะกุฏิแล้วก็กลับมาค่ะ อ, อย่างน้อยก็ได้ได้มันเหมือนกับเติมแบตให้ตัวเองอะค่ะจากไปปฏิบัติธรรมไม่ได้ก็ไปฟังธรรมก็แล้วกันสี่วันก็สี่วันนะคะ่ะก็ฟังทางทางยูทูบไม่ไม่เหมือนได้เหมือนกันไม่ไม่ไม่ไม่ออขอโทษค่ ะ, คะไม่เหมือนเลยค่ะอาจารย์ ยังไงก็ไม่เหมือนไม่เหมือนกันนะมันอยู่ที่บรรยากาศของสถานที่นะใช่ค่ะฟังธรรมที่บ้านเนี่ยเราวันที่เรานั่งอยู่อ้ามีคนเข้ามาโยมโยมอยู่ที่ร้านตอนนี้ปังดาอยู่ที่ร้านเนียค่ะคนเข้ามาอัเซียับองอลูดอ้าปุ๊บเดี๋ยวเราก็สปงกค่ะแต่พอไปฟังธรรมหน้าบุติโยมก็นั่งคิดวันนั้นบอกอาจารย์ป่วยอาจารย์ยังมาเทศแล้วเราเนี่ยต้องตั้งใจฟังบรรยากาศโดยรวมมันทําให้เรารู้สึก มีพลังมากกว่าค่ะแล้วแต่ละคนที่ไปมันมีพลังบวกให้กันหมดเลยค่ะรู้สึกดีกว่าเยอะเลยค่ะอาจารย์ก่นนัตั้งใจฟันมาหน้ามันยังท่าค่ะชายหันนาลาที่ว่าชนบุรีมันไม่ได้ไกลเลยค่ะอาจารย์ถ้าสอบไปรุ่นก็แค่ปัดต่อยเนี่ยค่ะอาจารย์มันแฮปปี้กว่าค่ะจะไปคนสบายก่อนก็ชอบกินอาหารจีนเข้าบินไปห้องของจินนื้อบินเช้าไปกินมื้อเที่ยงเสร็จแล้วกลับมาแล้วกลับมา ฟังธรรมตอนย็นใช่ค่ะคือการฟังธรรมทําให้เราได้ตอบโจทย์บางอย่างที่เราสงสัยเราฟังจากแต่ละคนมามันก็ทําให้เราตอบข้อสงสัยของเราอ่ะค่ะและ้ว อ, อย่างถ้าโยมไม่ฟังวิสัชนาธรรมวันนั้นโยมก็ไม่รู้ว่าอาการที่เกิดขึ้นกับเรามันคืออะไรอพอเรารู้ปุ๊บอ๋อแปลว่าใช่ค่ ะ, คะเพราะว่าพอเรามานั่งสมาธิ บางที่เราไม่สามารถนั่งได้ด้วยว่าด้วยด้วยเวลาที่เราทํางานมาเยอะๆเราเหนื่อยก็เลยใช้วิธีการเดินเดินตอนเช้าก็เดินตอนข้ามตอนข้ามจะได้ผลดีกว่าอื ก, สก็สังเกตน<ช>ะ ส, สังเกตนะนั่งปฏิบัติคอยสังเกตแล้วปรับป<ช>ไปแห้งให้มันกลับการปฏิบัติให้มันงานไหนทีดีที่สุดสําหรับเราเราไม่มีสูตร<ช>ตายตัวของแต่ละคนเรว่เหมือนกันใช่ค่ะแต่ละคนที่พูดมาในห้องไทมตรงนี้ เราก็เอาแต่ของแต่ละคนมาปรับใช้กับตัวเราอะค่ะมั น, น, นมันเป็นกุศลทั้งหมดเลยค่ะ อ, อันนั้นมันเป็นประโยชน์ที่กรับเราเราก็เอาอ น, นั้นนะแล้วโยมก็บอกว่าชีวิตโยมง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะตั้งแต่มาเจอพระอาจารย์นะคะนี่ขออนุญาตนะคะจากคนที่โกรธง่ายเพื่อนจะบอกว่าเจ๊พร้อมลุยโยมใจากลายมาเป็นว่าอมไม่เป็นไรเอาดอกไม้มา้อยโยมโยมจะทำดอกไม้้อยมาลาอะค่ะซึ่งกระขัดกับบุคลิกโยมนิดนึง แต่ยมก็รู้สึกว่ามันทําให้เรานิ่งขึ้นในการจัดดอกไม้ก็นิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็คืออาบน้ําแต่งตัวผมก็ไม่ต้องหวีหน้าก็ไม่ต้องแต่งมันแฮปปี้กว่าเยอะเลยค่ะอาจารย์มันมีความสุขกว่าสวยทางใจดีกว่าสวยทางใใช่ค่ะสวยที่สมองค่ะอาจารย์ยมใช้คํานี้เสมอค่ะขอบพระคุณอาจารย์นะคะแล้วขอบพระคุณทุกท่านเลยค่ะที่แชร์ธรรมะรู้สึกมันมันดีค่ะอาจารย์ขอบพระคุณค่ะ ลูกสาวอะไรไหมไม่มีอะอ่านมรดการค่ะพระอาจารย์อาทิตย์ที่แล้วป่วยค่ะป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ทั้งสัปดาห์เลยค่ะค่ะแต่ก็อืมก็ใช้อุเบกขาไปทับใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าตอนแรกคืนแรกที่เป็นนิ่นึกว่าจะตายแล้วค่ะพระอาจารย์เพราะว่ามันแบบมันออกทุกวันคืออาเจียนตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงเกือบเช้าค่ะพระอาจารย์แล้วก็ ใครขึ้นสูงอืมก็แต่ว่าคิดแล้วว่าเออไม่อยากไปโรงพยาบาลถ้าจะไปก็นอนตายตรงนี้ดีกว่ามันมันมันเงียบเงียบกว่าอยากแบบว่ารู้สึกว่าแบบไปไปโรงพยาบาลเดี๋ยวเขากาเอาอนุนันนี่มาฉีดเรามารู้สึกไม่ไม่ส ง, งบรู้สึกว่าอยากอยู่อยากอยู่ที่บ้านก็นอนใช้ลมหายใจค่ะไม่ได้พุดโทรก็นอนช่วงแรกแรกก็ ตอนที่มันพีคมากๆตรงที่เวทนามันมาทุกรูปแบบเนี่ยค่ะก็ยังไม่ค่อยอยากรับความจริงเท่าไหร่ว่าเออเดี๋ยวเราต้องคิดว่าเออเดี๋ยวมันมันนา่าจะหายพอเริ่มเริ่มใกล้เช้าแล้วมันยังไม่หายก็เลยโอเคก็ได้ก็อยอมรับมันไปค่ะแล้วก็ดูลมแล้ว ก, แวก็แล้วก็คิดว่าถ้าหลับหรือตายก็ช่างมานันแต่ว่ายังไม่ตายค่ะพี่จ้าค่ะแต่เราไม่ทุกข์ก็แลกันใจลอดเย็นใจเสบายค่ะอ่ะ มืนร่างกายมันเป็นเรื่องของร่างกายเราไปครอ บ, บงำคำมันไม่ได้ค่ะอว่าก็ช่วงที่ป่วยอะค่ะแบบว่ามีข่าวสะเทือนใจนิดหน่อยตรงที่หมาที่บ้านเอ้ไม่ใช่หมาในซอยบ้านนะคะ<ม>น่าสงสัยว่าจะโดนวางยาแล้วก็ขึ้นหนูชอบไปช่วยหมาแมวจรจัดอยู่แล้วอะค่ะแล้วพอ<ม>เห็น<ม>พอได้ข่าวแต่ว่าตอนนั้นก็ยังป่วยไปออกไปดูหรือออกไปช่วยอะไรไม่ได้ก็ได้แต่บางทีนอนอยู่ก็เออก็ต้องทําใจค่ ะ, คะว่า ยังไงวันหนึ่งเขาก็าคงต้องต้องไปก็คิดว่าเขาคงเป็นหมาตลอดชีวิตไม่ได้ไ อ, ไ อ, อ่ะอะไรอย่างเงี้ยงานอะรแต่ถือว่าเขาหมดเวรหมดกรรมไปกันแล้ว น, นั้นเราจะได้กลับไปมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปก็ได้ึงคือวันนั้นตายทีเดียวสามตัวเลยค่ะอาจารย์ในวันเดียวกันเลยค่ะไม่มใช่ไม่ตาย ม, มันเป็นแบบเมื่อไรท่านเองแต่พอตายพร้อมกันสามตัวปุ๊บเราก็มอง อืมก็เขาคงได้ไปเกิดเป็นมนุษย์แบบนั้นนะคะคิดอย่างนั้นถ้าเท่าวเป็นเรื่องของเขาแล้วกันเรื่องของเราเราก็ต้องวางเฉยใช่ทุกไปก็ไม่ทุกข์ไปก็ไม่เกิดไปอยู่์อะไรไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรทุกก็ทำให้เหมือนกับเราทุกไปแล้ว่าขาดทุนน่นใช่ไหมค่ะใช่ค่ะ ถ้าถ้าไม่มีธรรมพระจารย์นี่หนูคงจิตตกไปนานเลยค่ะเพราะว่าป<ด>่วยด้วยแล้วก็หมาที่เราแบบเห<ด>็นเ <คง S 2> ขามาตลอดค่ะใช่ค่ะแล้วเขาต้องตายแบบดูไม่น่าได้รับความยุติธรรมเท่าไหร่คงรู้สึกแย่มากกว่านี้ค่ะอันนี้ก็มันยกระดับจิตใจขึ้นมาง่ายขึ้นนะคะเวลามันตกลงไปก็จิตตกก็ขึ้นมาได้ง่ายกว่าโอเคแต่ทุนนกครั้งเวลาใกล้จะหมดแล้ว อูกนนูยิ้มปฏิาสอนไลฟ์สไตสอนไลไตล์นนตลับนมาส ก, การ์ทอาจารย์ค่ะดยินไหมครับอาจารย์ได้ยิ น, ยนชัดเจนก็ต้องทาหน้าที่ต่อไปครับอาจารย์ทําแบบปล่อยวางไม่ไปเครียดกับมันนะทาได้ก็ทำํทำทาหน้าที่ทําได้ทําไปตามกำลั้น อ่ะอาจารย์แต่ก็อาจจะเป็นความหวังความหวังอยไกกาก็จะทําให้เราโชคได้ถ้าไม่หวังไม่หวังดีกว่าอย่าไปหวังเลยทํำทั้งที่ทําได้ดูฝนจะเป็นยังไงก็เรี่ยงมันไปคนณอีกหวังเราค่ะอาจารย์ก็เป็นวามทุกของเก่าถ้าเขาหวังเราเป็นความถุกของเขาไม่ใช่ความทุกของเราค่ะอาจารย์ต่อ จะพยายามปฏิบัติต่อไปค่ะแต่ตอนนี้ก็เข้าใจอยู่ค่ะว่ามันก็ขึ้นๆลงๆแอ่ตอนนี้ไม่ไม่ไมไอนี่มากค่ะพระอาจารย์ตอนนี้ก็เริ่มแบบว่าเหมือนที่พระอาจารย์บอกพยายามปล่อยวางให้มากขึ้นจะ <c oughs> เป็นแบบไหนก็ทําดีที่สุดแล้วค่ะพระอาจารย์อย่าโมกิดนะค่ะพระอาจารย์ก็ไม่มีอะไรมากก็ต้องอ่อยู่กับสติอยู่กับใจของตัวเองนะค่ะพระอาจารย์ครับ <c oughs> ทำใทใา้ดีให้ดีทำใจให้เฉยค่ะผู้อาวุย์ก็ต่อไปค่ะผู้อาาุโสค่อตื่นเป็นไปที่เป็นจอยจอยพัทยาเหมือนกันจอยลูกช้ยังไม่นอนอย่างเดิมฮะยังไม่อยอนนอนเลยค่ะนอนดึกมากค่ะตอนเชย์ก็ตื่นไม่ได้หนูก็ลากจากที่นอนทุกวันเลยค่ะแล้วก็จะงอแงชอบบอกว่าหนูไม่อยากไปโรงเรียนตลอด เบอกว่าไมบไม่ไม่ถามบอกเห ม, อหมอหือนจะลาออกแล้วจะลาออกบอกบอกไปถามพูดเธอแล้วกันว่าเธอลาออกแน่ไหมหนูหนูก็เหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมนี่แล้วหยุดเย็นยอมหยุดเย็นน ะ, ะรู้สติค่ะว่าเออสิ่งนี้รู้รู้รู้เริ่มรู้รู้รู้ค่ะอคตอนนี้เก็บเก็บไปก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวรอรอแบบให้ทางสะดวกแล้วค่อยร่วมยอดถี่เอา หมายถึงว่าคิดบัญชีเลยคิดบัญชีใช่ใ่ค่ะหมายถึงว่าหมายถึงเรามาเก็บเกี่ยวอะไรเหตุเหตุการณ์ที่รอบตัวเราทุกอย่างมาเป็นสอนตัวเราค่ะแล้วพอทายสำแล้วเราก็จะได้ไปปฏิบัติอย่างที่เราหวังไว้อ่ะค่ะเราถามแบบว่ากับเพื่อนนะคะถ้าสมมุติว่าเราฟังเรื่องของเพื่อนมาเป็นเวลาเป็นสิบสิบปีแล้วทีนี้ตอนนี้เราไม่อยากฟังแล้วเพราะมันเรื่องซ้ำๆเหมือนเรารู้รู้มากกว่าเขาอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราไม่ฟัง เหมือนเราไม่มีเมตตากับเขาหรือเปล่าคะหรือเราต้องฟังต่อไปก็ถ้าคิดว่าการฟัง้็ทําให้เขาสบายใจขึ้นการเป็นการแผ่เมตตาให้กับเขาอ๋องั้นก็ควรจะฟังต่อไปเพราะว่าเขาสบายใจเราก็อย่าไปถือเป็นอารมณ์ของเราให้มันเข้าหูซ้ายออกหูขวาไปนค่ะค่ะเราไปไปย่างหน้าไปแล้วก็ผ่านไปเขาส่วนใหญ่เขาโทรมาค่ะเขาโทรมาแล้วก็ถ้าเราว่างเราก็ฟังก็อยากจะให้มีใครมา ให้เขาระบายอาทิตย์ก็ไม่แค่นั้นค่ะเออแต่มันเป็นเร str ื่องทำๆที่เราก็ฟังไปก็ฟบอกไปก็ฟังแบบเอาเอามือถือห่างหูไว้เดี๋ยวได้ยินเสียงไม่้องไหมมันไปเขาพูดไปค่ะได้ค่ะเดี๋ยววันอาทิตย์ไปใส่บอดมัอพากันค่ะไปที่คุณลาสำหรับคำถามจากแฟนรุ่น YouTube มีคําถามจากทาง Facebook ทั้งหมดสคําถามเจ้าคะ่ะคําถามแรกจากคุณวาสนาน้อมกราบเรียนถามครับที่สําคัญของการปฏิบัติของเราคือความสงบเบาสบายและเข้าใจในความไม่เที่ยงแท้แน่นอนการปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไม่ใช่การปล่อยปละละเลยในหน้าที่ที่ทําได้กระผมเข้าใจถูกต้องไหมครับขอพระอาจารย์ชี้ทางสว่างเพิ่มด้วยครับ หน้าที่ที่เราต้องทําแล้วก็ต้องทำํำแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็มีหน้าที่พะพุทเจ้ามีหน้าที่ห้าข้อเรียกพุทธกิริยาจะทําหน้าที่ทุกวันทำกิริยห้าข้อเช้าออกมินทบาทหดสั่งบ่ายสดาทําให้ญาติโยมกราบข้ามสอนธรรมะให้กับพระภิกษุภิกษุณีตอนเด็กตอบคาถามให้กับเทวดา ตานเช้าก่อนจะเสด็จออาเป็นธบาตก็เล็งยานหรือว่าจะไปสอนใครเป็นกรณีพิเศษในวันนึงนี่ก็เป็นหน้าที่และแต่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็ยังมีหน้าที่ต้องทำโปรดสั่ช่วยเหลือสัรงโลกให้หลุดพ้นจากความทุกข์คำถามต่อไปจากคุณสุนิสากราบเรียนถามพระอาจารย์ ถ้าเราต้องใช้ชีวิตร่วมกับคนที่ผิดศีลข้อสามและข้อสี่จนเป็นสังดานควรทำอย่างไรดีคะตอนนี้เหมือนตกนรกทั้งเป็นคะ่ะถ้าเราแยกตัวออกแต่เขาไม่ได้ก็ต้องทับเทยเฉยๆไปตัวแยกเขาว่าตัวเขาว่าตัวเขาตัวเราก็ตัวเร า, า, เราบากของเขามันด้่ยกันทาให้เราบาปโดยถ้าเราไปไปทตามเอ น, นที่เราทูกก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราเราไม่อยากให้เขาทำอย่างนี้ เาว่าต้อเข้าใจว่าเราเข้าเป็นสันดานี่สายเข้าเป็นอย่างนี้จะไปเปลี่ยนเขาไม่ได้เนี่ยเรเข้าเป็นส้มเราอยากจะไปให้เขาเป็นกล้วยเป็นไปไม่ได้เขาจะเป็นส้มก็าบ่อยก็เป็นส้มไปเขาจะผิดสีข้อสามข้อสี่ก็เป็นเป็นเรื่องของเขาไปถ้าเรายังต้องอยู่เขาเราก็ต้องทบใจเฉยๆไปอย่าไปอย่าไปอยากจะเปลี่ยนเขาอย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างะ ดูไปตามความเป็นจริงอยู่กับความเป็นจริงแต่เราก็อย่าไปอย่าไปทาตามเขาไมอยากไปเกี่ยวข้อกับเขาถ้าหลบได้ก็หลงได้ก็หีกสองคำถามสุดท้ายจากคุณทยศคำถามแรกกระผมใช้หลักเจริญสติสมาธิเพื่อพิจารณามายาของรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสและมโนสุดท้ายได้คำตอบแล้วว่า มายาไม่มีอยู่จริงแท้แน่นอนเวลาที่ได้คําตอบจะเกิดอาการปิติเกิดสุขเหมือนนั่งกรรมฐานแบบนี้เรียกว่าเจริญปัญญาหรือไม่ครับใช่ถ้าเรามีดวงตายทำใจแล้วก็จะมีความสงบเข้าใจหลักความเป็นจริงของธรรมชาติทั้งหลายว่ามันไม่เป็นสุขหรอมันเป็นมันเป็นทุเราไปเราไปยินดีกับมันเองหลงไปกับมันเองนี่ คุมสุดท้ายหากเราต้องการที่จะได้รับสัมผัสได้ประสบการณ์ของการตื่นจากมายาจะต้องปฏิบัติถึงระดับแล้วความนี้ถูกต้องหรือไม่ครับก็มายถึงเราต้องมันจะรีปัญญาให้ควเป็นจริงนะปัญญาแก้ปัญหาออก ม, มายาไนดะ้ที่เราต้องเห็นอ น, นิจจังเห็นด้ัตตาเห็นนั้นเห็นนั้นจากทุกขังอนันตตาๆมันก็จะลบล้างมายา ที่มาหลอกเราให้เห็นเป็นนิจจังสุขกงอันตร okay, ายโอเคนะบมดแล้วใช่ไหมหน่าใจนะคะเพิ่งมีเข้ามาอีกหนึ่งคำถามเจ้าค่ะจากคุณวิยาดากราบเรียนถามพระอาจารย์นะคะเวลานั่งสมาธิเราสามารถเอาหลังพิงกำแพงได้ไหมคะไม่ควรลนะเพราะมันจะสบายเพราะมันสบายแล้วมันจะทำให้สติมันไม่มีมันอ่อนลงมันจะทาให้ให้หลับได้น่ง อย่างอย่างนั่นงให้มันสบายแต่นั่งแบบธรรมชาตินคือนั่งตอนที่ไม่ต้องมีอะไรมาทิ้งหลังนั่งหลังให้ให้หลังตรงแล้วก็เวลานั่งแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลกับท้านัําให้อยู่กับการภาวนาไปวันนั้นาสาหรับคืนนี้เวลาก็หมดพอดีก็ขอให้ท่านจงภาวนาสิ่ที่ท่านได้ยินได้ฟับไปพิิตพิจา ร, รณาไปปฏิบัติ เก้าความสุขความเจริญเก้าหน้าในยทำยิย่งขึ้นไปเธอ